ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่สิบสองคุยกันต่อเรื่องของวัตถุมงคลหรือว่ารูปธรรมที่สื่อธรรมะถ้าใช้ถูกต้องทีนี้ก็ไปนึกถึงที่ทากก่านจักรพันธ์ถามเมื่อเช้าเรื่อง ระหว่างหนังสือกับพระเครื่องท่านถามว่าไงตังลองถามอีกทีดิฮะว่าหนังสือยังธรรมะแจ่อย่างเงี้ยเปรียบได้เหมือนกับทำเครื่องแต่งงานอ๋อก็มีแง่ ม, มุมที่จะเหมือนบ้างแต่ว่าไม่มั่งนักคือเหมือนได้ในแง่ที่ว่าก็เป็นสื่อธรรมะด้วยกันทั้งคู่ถ้าใช้ถูกนะ แต่ทีนี้ว่าทาหนังสือที่มันสื่อโดยตรงเลยมันแน่นอนเลยว่าสื่อตัวธรรมะโดยวัตถุประสงค์โดยหน้าที่ของมันบทบาทของมันหนังสือก็สื่อโดยตรงเลยแต่ทีนี้พวกพระเครื่องนสื่อโดย อ, อ้อมนะต้องผ่านวัตถุอีกทีหนึ่งและบางทีถ้าสื่อไม่ถูกก็ไปสื่ออื่นซะอีกนะออกไปนนอกเรื่องนอกราวเลยอันนั้นจึงต้องระวังมาก อันนี้แม้แต่ว่าเอาไปเป็นสินค้าในกรณีที่ไม่ได้แจกถ้าเกิดมีการแลกเปลี่ยนไปนเงินทองขึ้นมานี่เราจะเห็นได้ว่าพวกหนังสือนี่นะออกไปสู่กิจการที่เขาทำเป็นธุรกิจในกรณีที่ไม่ใช่พระแจกรานคา้าเขาทเนี่ยมันก็ยังเป็นได้แค่สินค้าซื้อขายแลกเปลี่ยนตามอัตราส่วนที่ อยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคใช่ก็เหมือนการหนังสืออื่นอ่ะบางทีหนังสืออื่นอาจจะขายได้ราคาดีกว่าด้วยเช่นหนังสืออันเล่นใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเป็นพวกวัตถุมงคลนี่ล้วก็ลงทุนนิดเดียวแล้วกำไรมหาศาลเลยนะพวกทำหนังสือธรรมะขายนี่เสี่ยงต่อการขาดทุนเยอะคนซื้อนี่น้อย แล้วก็ราคาก็ต้องจำกัดแต่ถ้าเป็นวัตถุมงคลพระเครื่องนี่นะลงทุนสิบบาทอาจจะขายพันบาทหรือยิ่งกว่านั้นใช่อาจจะลงทุนร้อยบาทขายหมื่นแล้วสองมื่นห้าพันหรือห้ามื่นเลยไปเลยดังนั้นกำไรมหาศาลจึงกระตุ้งเรียกว่าถ้าหากว่าเจตนาไม่ดีไม่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้คิดเอามาใช้เพื่อสร้างสรร ทำประโยชน์สาธารณะส่วนรวมเลยเนี่ยหาประโยชน์ส่วนตนกลายเป็นการค้ากําไรที่หนักที่สุดเลยใช่ไหมการค้ากําไรเกินควรนะ่ะแทบจะไม่มีการค้ากําไรเกินควรอันใดถ้าจะได้กําไรมากเท่านี้เลยนะอ้าวทีนี้ก็ย้อนกลับมาเรื่องของเราก็แต่ว่ารวมความก็คือว่าต้องใช้ให้ถูกก็สื่อ สื่อธรรมะได้ทีนี้อ๋อพวกวัตถุมงคลพระเครื่องนี่สื่อได้ก็นในขอบเขตจํากัดสื่อได้ในระดับศีลคือความประพฤติเช่นว่ามาช่วยป้องกันนะทําให้ต้องยึดถือข้อปฏิบัติเช่นการงดเว้นจากการเบียดเบียนการการละเมิดศีลแล้วแต่พระอาจารย์จะสั่งแล้วก็ได้สื่อทางจิตใจนะทําให้จิตใจนี่มีความปราบลื้อมีความมั่นใจ มีความเอิบอิ่มใจอะไรต่างๆได้ผลทางจิตใจจะสื่อไปถึงปัญญานิดน้อยยากส่วนหนังสือธรรมะนี่สื่อถึงปัญญาโดยตรงเลยนะเพราะฉะนั้นสำคัญมากนั่นก็สื่อหนังสือธรรมะก็เหมือนกับฟังคำสอนก็มาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าออกไปนะแล้วก็ไปเผยแผ่ต่อแต่ที่มันมีการใช้ประโยชน์ซ้อนอย่างนี้คือหนังสือนั้นไปหนุน วัตถุมงคลอีกทีหนึ่งเนี่ยเช่นอย่างเดี๋ยวนี้มีการใช้กันเยอะไม่ใช่ว่าเอาหนังสือมาสื่อตัวธรรมะแล้วแต่ว่าเอาหนังสือเนี่ยไปใช้สําหรับโปรโมตวัตถุมงคลพระเครื่องหรือทําเป็นคล้ายๆหน้ามา้าสําหรับโฆษณาคุณภาพของพระเครื่องวัตถุมงคลอาจารย์ขลังเป็นต้นใช่ไหมอันนั้นกลายเป็นใช้หนังสือเพื่อวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่ง ไม่ใช่เป็นสื่อธรรมะโดยตรงและนั่นเป็นเรื่องของความซับซ้อนในสังคมปัจจุบันนะก็ต้องพิจารณากันหลายขั้นตอนก็มีแง่มุมที่อย่างน้อยจะต้องคำนึงสองอย่างนี้นะนี่ก็ขอย้อนกลับมาเรื่องของความหมายประโยชน์การปฏิบัติต่อเรื่องวัตถุมงคลโดยเฉพาะพระเครื่องกันต่อนี่ที่พูดมาแล้วนี่ก็พูดในแง่ของประวัติความเป็นมา เพื่อให้เห็นถึงบทบาทและการปฏิบัติของคนในสมัยโบราณสืบมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลทีนี้ก็มาถึงยุคใกล้ปัจจุบันนี้ก็ได้เล่าไปถึงเรื่องของหลวงพอ่อไว้บางกลางผมก็เลยอยากจะเล่าต่ออีกนิดหนึ่งทีนี้ว่าถึงจริวัดของตัวหลวงพ่อเองหลวงพ่อบางกลางนี่ก็เป็นที่เรื่องลือประชาชนก็มีความร่วมสายศรัทธามากว่าทัานขลังและศักดิ์สิทธิ์ท่านมีดี แต่ว่าปกติแล้วท่านไม่ให้ใครคนก็อยากจะได้ทีนี้ความที่ศรัทธาเลื่อมใสท่านมากเนี่ยจะเห็นถึงอิทธิพลในทางศรัทธานะว่าเวลามีงานมีการอะไรต้องการกําลังคนเนี่ยเขาจะมากันพร้อมเพียงมากคราวหนึ่งที่วัดบ้างกลางนี่ก็มีการย้ายเสยนาสนะทั้งหมดเลยทั้งกุฏิทั้งศาลาทั้งหอสนบนหอสนบนก็ใหญ่มากนะ อันนี้ก็จะย้ายอย่างไรเสนาสนะบางอย่างเช่นปกุติเน่ก็ไม่จําเป็นก็ไปรื้อแล้วก็สร้างใหม่ได้แต่เสนาสนะบางอย่างนี่อยากจะรักษาไว้ย่างเดิมเช่นหอสวดมนต์ก็ใช้วิธียกไปทั้งหลังะจะยกยังไงไม่ได้มีเครื่องมือเทคโนโลยียปัจจุบันย้ายจากจุดนี้นะไปตั้งอีกแห่งหนึ่งห่างออกไปมากพอสมควร ก็ใช้วิธีนัดประชาชนนัดหมายว่าวันที่เท่านั้นนะ <c oughs> เวลานั้นให้มาพร้อมกันแล้วตอนระหว่างนั้นก็ช่างก็ไปเอาไม้ไผ่เนี่ยมาใช้เชือกผูกมัดตรึงต้นเสา ร, ระหว่างเสาต่างๆเนี่ยผูกมัดถึงกันหมดให้เป็นช่องที่คนจะเข้าไปยืนเป็นช่องชๆช่องแล้วก็ เลื่อยตัดเสาให้ตรงกั น, นทุกเสาในเวลาเดียวกันก็ไปทำเสาปูนซีเมนเตรียมรอรับไว้ที่ใหม่พอนะถึงวันนัดก็ประชาชนก็มากันมากมายนะไม่รู้เท่าไรละนะแล้วก็เข้ามาประจำที่ถึงเวลาหลวงพ่อก็ให้สัญญาณยกพร้อมกันสลาก็เดินเลย เดินไปแล้วก็ไปวางที่ใหม่เดินเหมือนคนเดินนะไปอย่างเรียบร้อยมากนะนี่ก็เป็นเครื่องแสดงอย่างหนึ่งถึงศรัทธาของพุทธศาส น, นิกชนที่มีพระสงฆ์ที่เขาเคารพเป็นศูนย์กลางนะว่ามีผลในทางความสามคัคคีทำให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ทำการอะไรต่างๆก็สำเร็จ ทีนี้หลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นที่เคารพนับถืออย่างเนี้ยอันนี้ท่านก็เป็นที่เรื่องลือแต่ว่าชีวิตประจําวันของท่านเนี่ยท่านไม่มีการพูดถึงเรื่องของขลังอะไรเลยไม่มีการพูดถึงและไม่ให้ใครด้วยแต่ถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อนถูกผีเข้าหรือว่าถูกทำเน่ย ถูกคุณใส่อะไรต่างๆก็มาหาท่านเป็นเฉพาะราย mm. เฉพาะกรณีท่านก็แก้ไขให้เฉพาะรายนั้นๆก็ไม่ต้องพูดโฆษณากันไปใช่ไหมใครมีเรื่องก็แก้เฉพาะตัวไปแต่ในชีวิตประจําวันท่านก็พูดถึงแต่เรื่องธรรมะคาสอนว่าให้ดําเนินชีวิตอย่างไรให้ขยันหมั่นเพียรรำมาหากินชีพให้อยู่ร่วมกันได้ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรต่างๆ ถ้าเป็นนักเรียนให้เป็นเด็กก็ขยันวันเพียรอะไรก็สอนแต่เรื่องธรรมะก็หมายความอาชีตประจำวันก็ทาหน้าที่ของพระที่ให้ธรรมะสอนธรรมะไปไม่มีการให้เครื่องรางของขลังเพราะนั้นคนจะได้จากท่านยากมากขอก็ไม่ให้บังทีท่านจะให้ก็ลูกศิษย์ที่ท่านเห็นว่าประพฤติดีปฏิบัติชอบ เขาอาจจะโตขึ้นมาอาจจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ใหม่เออก็เรียกมาก็ถ้าสมัยเก่าๆจะเป็นอย่างเงี้ยนะลูกศิษย์ที่ประพฤติดออีก็เรียกตัวมาว่าเธอจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ใหม่นะหลวงพ่อจะให้ของดีไปได้รักษาคุ้มครองนะพร้อมกันนั้นหลวงพ่อก็จะบอกว่านะเธอไปแล้วก็ตั้งนาตาั้งตาขยันหมั่นเพียรทําการหาเลี้ยงชีพโดยสุดจริตนะ แล้วก็อย่าได้ประพฤติเสียหายพระท่านจะได้คุ้มครองเวลาจะให้ก็กํำกับไปเสร็จเรื่องของศีลธรรมข้อประพฤติว่าควรจะเว้นหรือสั่งให้เว้นอะไรแล้วก็ให้ประพฤติอย่างไรเนเพราะนั้นโอกาสที่จะให้เนี่ยน้อยทีนี้การที่จะให้อย่างนี้ก็มีความหมายทำให้เกิดผลได้ไหลายอย่างเพราะคนที่อยากจะได้ก็ต้องเอาตัวอย่างของคนที่ได้ใช่ ว่าต้องประพฤติดีถ้าไม่ประพฤติให้ดีหลวงพ่อก็ไม่ให้ถ้าอยากได้ของดีก็ต้องประพฤติตัวให้ดีแล้วนอกจากนั้นก็เวลาให้หลวงพ่อก็จะเป็นโอกาสที่จะได้สอนธรรมะอีกใช่ไหมก็เป็นเครื่องมือสื่อธรรมได้อย่างดีนอันนี้ก็เอามาเป็นบทสรุปให้เราดูว่าลักษณะของพระสมัยก่อนที่ท่านปฏิบัติ ต, ตามหลักการเนี้ย ปฏิบัติต่อเรื่องของวัตถุมงคลพระเครื่องเป็นต้นอย่างไรนะอ้าวก็พอสรุปได้หนึ่งไม่มีราคาไม่มีค่าเป็นเงินทองใช่ไหมนะท่านไม่เอาเงินเพราะว่าต้องให้เปล่าสองไม่ได้ให้ง่ายๆไม่กลาดเกลื่อนนะให้ยากจะได้มานี่ต้องประพฤติให้ดีโอ้โหกว่าจะได้ทั้งทีนะแทบ เรียกว่าเรียกว่าต้องสะสมบารมีของตัวเองกันเยอะเลยกว่าจะได้มานะแล้วก็สามนะมีข้อเรียกร้องทางศีลธรรมใช่ไหมเออเธอจะได้นะพระจะคุ้มครองต่อเมื่อเธอประพฤติตัวดีอย่างนั้นๆถ้าเธอประพฤติเสียหายอย่างนั้นๆพระไม่คุ้มครองสมัยก่อนที่เขจะมีข้อห้ามเยอะเลยนะ พระที่ได้ไปนเนี่ยอยาไปด่าแม่เขานี่พระไม่คุม้มครองเลยที่สุพรรณนภรสีประจัน์ก็มีท่านขุนท่านหนึ่งเราเรียกกันว่าขุนศรีสมัยผมเด็กเล็กๆไม่กี่ขวบอ่ะี่ขุนศรีนี่เรื่องลือมา ก, กวันหนังเหนียวปราบผู้ร้ายนี่โดนยิงก็ไม่มีเป็นอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นก็ เป็นมือที่ขมัง่งเรียกว่าเป็นนักปราบโจรที่น่ากลัวนี้ขุนสีซึ่งชื่อเต็มว่าขุนศรีปรรัญจลักษาเนี่ยไปปราบโจรไปปราบโจรต่อมาคราวหนึ่งปรากนว่าถูกโจนถูกโจรยิงตายอา้าวชาวบ้านเขาก็โจทย์จานเป็นว่าโจรมันทําไงก็ไม่รู้ท่านขุนก็เลยโกรธโมโหมันด่าแม่มันเพราด่าแม่มันท่านนั้นละปังเลยเข้าเลยท่านขุนตายเลย นี่าานนเพราะฉะนั้นเนี่ยโบราณเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขลังนี่ต้องมีศีลมีธรรมเราะนั้นเนี่ยจะกํากับมาเสร็จอ้าวแล้วอะไรอีกมีคุณค่าทางจิตใจที่เป็นสื่อโยงสื่อโยงระหว่างบุคคลที่มีพระคุณหรือความดีอย่างว่าหลวงพ่ออุปชาท่านจะให้กันลูกศิษย์ก็ต้อง เลือกผู้ที่ประพฤติ ด, ดีแล้วเลือกเวลาที่จะให้ให้ในยามที่จะจากไปไปทำหมากินหรือว่าไปตั้งหลักตั้งฐานอะไรงนี้ทีนี้พอให้ไปแล้วแล้วให้ได้ยากเนี่ยลูกศิษย์ไปอยู่ไกลๆเนี่ยพระองค์เนี้ยจะเป็นตัวแทนของหลวงพ่อเมื่อนึกถึงพระนี่ก็นึกถึงพระพระพุทธเจ้าด้วยอันดับหนึ่งใช่ไหมว่านี่เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้า สองแล้วลึกถึงอาจารย์หลวงพ่ อ, อประชาที่ให้มาโอ้ความทราบซึ่งเนี่ยเวลารา ล, ลึกถึงก็แล่นไปหมดเลยใช่ไหมจิตใจที่นึกถึงพระคุณความดีของท่านดีท่านใดช่วยเหลือเกิดนุนมาอาบรมสั่งสอนมาคําสอนของท่านท่านสั่งเรามายังไงเนี่ยลารึกถึงพระก็ต้อง ล, ลึกถึงคําสอนของท่านด้วยใช่ไหมจะต้องมาพึ่งปฏิบัติอย่างไงทีนี้พอตัวแก่เท่าลงแล้วก็อุตราหรักษาพระองค์นี้ไว้อย่างดีเนี่ยน จะเรียกว่าถนอมอย่างดีที่สุดแล้วนีพอแก่ตัวเข้าก็มีลูกก็ลูกลักเออโตขึ้นแล้วนะก็มาเรียกมานี่นะพระองค์เนี้ยพ่อได้มาหลวงพ่อประชาท่านให้พ่อเนี่ยรักอย่างชีวิตเลยรักษาไว้อย่างดีเวลานี้ลูกโตแล้วพ่อก็จะมอบให้เ่ยลูกก็ได้รับไปใช่ไหมโอ้เนี่ ลูกรับไปก็นี่เป็นของที่พ่อรักที่สุดและตั้งใจมอบให้กับเรา <c oughs> คุณค่าทางจิตใจความสัมพันธ์โยงระหว่างลูกกับพ่อนี่เข้ามาอยู่ที่หลวงพ่อนี้แลโยงไปหาอุปชาของหลวงพ่ออีกโยงไปหาพระพุทธเจ้าอีกใช่ไหมนี่แหละตลอดเลยคุณค่าทางจิตใจนี่รวมอยู่ที่พระเครื่ององค์เดียวนี่นั้นห้อยคออยู่แล้ลึกถึงหลวงพ่อนี่ ทีไรก็นึกถึงทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพ่อทั้งอุปชาก้องพ่อเนี่ยมันคุณค่าทางจิตใจมันเต็มหมดเลยนั่นมันมีคุณค่าสูงมากเลยเรามาดูปัจจุบันในคุณค่าเหล่านี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีเหลือเลยนะหนึ่งมันซื้อได้ด้วยเงินทองมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ซื้อได้ด้วยเงินซะแล้วใช่ไหมสองมันเกลื่อนกลาดดาสดาหาได้ง่าย ม, มันไม่มีข้อเรียกร้องทางศีลธรรมเลยชูมไมเป็นเรื่องของหาราบหาเงินหาทองอย่างเดียว เ, เป็นที่ตั้งให่ความโลภสาหรับตัวเขาเองว่าเนี่ยเรามีพระเครื่องนี่ เ, เราจะได้ปลอดภัยได้ฮึกเหิมจะทำอะไรก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมกลายเป็นยุหัวใจในทางฮึกเหิมทำความชั่วก็มีนีแล้วก็เป็นเชื่องของการเห็นกับตัวได้โชคได้ราบส่วนตัว ไม่มีคุณค่าทางศีลธรรมไม่มีข้อเรียกร้องทางศีลธรรมจริยธรรมเข้ามาสี่ไม่มีคุณค่าทางจิตใจที่เชื่อมโยงอย่างที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านผู้มีพระคุณพ่อแม่บิดามารดาปูา่ย่าตายายอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าบางทีก็ไม่ได้ระลึกถึงนึกแต่ได้แง่ว่าเป็นวัตถุมงคลที่จะช่วยให้ตัวได้ราบได้ผลเท่านั้นเองตกลงคุณค่าเ่านี้หายหมดเลย นั้นอย่าไปดูถูกคนสมัยโบราณนึกว่าเออคนโบราณมานับถือพระเครื่องเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลเรามาเอาตัวเราไปเทียบเพราะคนสมัยนี้ไม่ได้มีหลักอะไรแล้วและใช่ในทางที่เสียหายมากใช่ไหมก็ น, นึกว่าคนโบราณจะเป็นอย่างตัวเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะนั้นในความหมายนี้เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ว่าทําไมวัตถุมงคล หรือพระเครื่องซึ่งเป็นเรื่องของรูปธรรมเนี่ยจึงมาสื่อธรรมะได้ใช่อ้าวทีนี้คุณค่าเนี่ยไม่ได้อยู่เท่านี้หรอกพุทธศาสนานั้นอยู่ท่ามกลางลัทธิศาสนาอื่นมีศาสนาพราหมีพวกพูดลัทธิเชื่อผีสางเทวดาอะไรต่างๆเรื่องศัยศาสตร์มีเกลื่อนกลาดอยู่ใช่นะแล้วบางทีเขามีอยู่ก่อนพุทธศาสนาด้วย ทีนี้คนเขานับถือสิ่งเหล่านี้อยู่เดี๋ยวมีทำกันแล้วทนนั้นถูกคุณถูกใสถูกเขาเสกหนังเข้าทองหรืออะไรอย่างนะี้นะอะไรทำนองเนี้ยนะไอเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อในฤทธิเดชปาฏิหาริย์บ้างในเรื่องของอิทธิฤทธิ์ของอํานาจเล้นลับเหนือธรรมชาติมันมีอยู่กลาดเกลื่อนหมดอันนี้พุทธศาสนาอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้และประชาชนมีระดับของการพัฒนา ชีวิตจิตใจไม่เท่ากันต่ำบ้างสูงบ้างบางคนไม่รู้เรื่องเลยเรื่องธรรมะคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปเชื่อในสิ่งเหลวไหลต่างๆเลื่องในหวังจากอํานาจโดนบรรดาลเหล่านี้แล้วพระเองก็มีความสามารถไม่เท่ากันบางองค์สามารถสอนให้ธรรมะเขาเข้าใจได้ปัญญาได้ง่ายแต่บางองค์ท่านก็ไม่มีความสามารถและท่านก็ไม่มีความรู้พอเรามองกว้างๆถึงสภาพทั้งหมดเนี่ย เขาพุทธศาสนาจะช่วยประชาชนได้อย่างไรการช่วยก็ต้องเป็นไปในระดับต่างๆพระที่มีความสามารถมีความรู้หลักธรรมดีก็อาจจะสอนโดยตรงเลยอย่างที่ว่าเข้าถึงคนระดับที่มีปัญญาแต่ในพระองค์เดียวกันนั่นแหละไปสอนคนที่ไม่มีปัญญาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีหนึ่งแล้วทีนี้อีกองค์หนึ่งพระนั้นไม่มีปัญญาด้วยนไม่รู้หลักธรรมด้วยแต่ว่าจะอยากจะช่วยเหลือชาวบ้าน ทำไงจะสื่อพุทธศาสนากับชาวบ้านเราต้องมองกว้างอย่าเอาแต่ตัวเองคนเดียวเป็นประมาณว่าฉันได้มีความสามารถสอนต้องให้พระทุกองค์ทําได้อย่างฉันมันเป็นไปไม่ได้นี่สังคมส่วนรวม <c oughs> คนเราอยู่ในระดับการพัฒนาไม่เท่ากันมีความหลากหลายแต่ว่าเรามุ่งอยู่ว่าให้เขาได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาแต่หลักอันหนึ่งที่จะต้องไม่ลืมก็คือเป็นสื่อว่าทําไงจะหาทางดึงเขาขึ้นมาให้เขาพัฒนา แต่ว่าต้องมีจุดไปพบกับเขาจุดที่จะพบนี่เราจะให้เขากระโจนมาหาเรานี่ทําได้ยากโดยมากจะต้องไปหาเขาณจุดที่เขาอยู่อยู่ใช่ไหมทีนี้ไอตอนนี้แหละในขณะที่ในสังคมนี่เต็มไปได้วยสิ่งเหล่าเนี้ยคนก็กลัวสิ่งเหล่า น, น, านี้ความกลัวนี่เป็นอันหนึ่งแล้วนะที่มันทําให้คนหวั่นไหวแม้พุทธศาสนาจะสอนเป็นเหตุเป็นผลเนี่ย แล้วก็เห็นเนี่ยคนพวกระดับหนึ่งเนี่ยเห็นว่าพุทธศาสนาสอนดีเป็นเหตุเป็นผลนะแต่ความหวั่นใจความหวาดหวั่นยังมีการที่ไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรมีอํานาจเล่นลับอะไรต่างเนี่ยมนุษย์ปุตุชนยังมีไอ้เรื่องเหล่านี้อยู่ความหวาดหวั่นมันมีอยู่ทีนี้เวลาไม่มีเหตุการณ์อะไรมันก็ไม่เป็นไรแหละใช่ไหมก็เชื่อยในเหตุในผล พอเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอาลระสิทีเนี้ยชักจะหวั่นไหวแล้วใช่ไหมทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะไว้พระหลวงพ่อแต่ก็สอนเป็นเหตุเป็นผลแล้วแต่ว่ามันชักจะเอาไมา่อยู่เนทีนี้มาหาหลวงพอ่อหลวงพ่อสอนเป็นเหตุเป็นผลเออเราจะไปเชื่ออะไรแต่อะไรเลยมันเป็นเรื่องของการกระทาของเราล้วต้องมีสติปัญญาก็เห็นตามหลวงพ่อก็เอ า, เอา ว่าตามลุงพ่อนะบางรายก็กลับไปก็เข้มแข็งจริงก็อยู่ได้แต่บางรายไม่อย่างงั้นสิพอกลับไปบ้านเอ๊ะชักไม่แน่ใจแหละยังไงไงมันก็ยังหวั่นใจอยู่นะเอ๊ะ ย, ยังไงไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเอาเราสิทธีนี้ปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมทีนี้ในสังคมนี้มันมีเกลื่อนกลาดนี่มีพวกพ่อหมดหมอผีมีคนทรงยังไงไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนไปหาแล้วใช่ไหมดอดไปหาแล้ว ไปหาพวกหมอผีไปหาคนส่งแหละทีนี้พอไปหาแล้วทีนี้มีโอกาสที่จะถูกชักจูงแล้วทีนี้ใช่ไหมไปทําแล้วมาหยุดแค่นั้นพวกนั้นอาจจะหาลาบหาผลอาจจะพูดอะไรต่างๆนี่คุณถูกเขาทำํำไอคนนั้นมันแกลง้งเอาไหมผมจะทําให้ว่างั้นฉันจะทําให้ <c oughs> ก็ต้องเสียตังค์เสียเงินเสียทองแล้วเป็นเรื่องของการโกรธโทสะแหละใช่ไหมฮะเรื่องของกิเลสมาแหละนะ เดี๋ยวก็ไปอยากได้ลาบได้ผลได้ผลประโยชน์ <c oughs> เป็นเรื่องโลภเรื่องโทษสะแก้แค้นมาแล้วไปและชักออกนอกพุทธศาสนาที่นี้ชักเพลินที่นี่ไม่ได้แล้วหลวงพ่อเอามาอยู่ใช่ไหมนี่เพราะนั้นปัญหาอย่างนี้ต้องเจอแน่อยู่นี่ก็เจอเนี่ยอย่างผมอยู่ที่เนี่บางทีมีมาละชาวบ้านมารายหนึ่งมาถึงบอกเมื่อคืนนี้ฝันร้าย มีปีศาจหรืออะไรไม่รู้ดำทะมุนใหญ่หรือเกินเข้ามามาถึงก็มากระชากลูกออกไปจากอกโอ้โหไม่ลองคิดดิสิครับนะลูกนี่เป็นสุดที่รักใช่ไ้ยฝันร้ายอย่างนี้ใจไม่มั่นคงและวันไหวเอลูกที่รักนี่มันต้องเอาไว้ก่อนนะตัวเองยังพอว่าในนี้ลูกรักนี่ยังไงไงต้องปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไ ก็มาหาพระว่ายังไงไงให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยเนี่ยตอนเนี้ยพระก็อาจจะต้องใช้จะเป็นรูปาธรรมฝ่ายพิธีกรรมหรือว่าเป็นเรื่องของวัตถุมงคลก็แล้วแต่ก็อาจจะมาเป็นสื่อแต่เราเอาจะเอาแค่ประเพณีว่าพิธีกรรมอะไรที่นิยมทํากันมาตามประเพณีที่จะช่วยอาจจะเป็นน้ำมนต์นี่ก็วัตถุแหละใช่ไหมอา้าวมารับน้ำมนต์ไปไม่ต้องกลัวนี ก็พรมน้ำมนตให้เอาแล้วนะสบายใจได้ไม่ต้องไปห่วงเรื่องปีศาจพิศเศษนั้ น, นทีนี้ต่อจากนั้นก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็อธิบายเหตุผลเออทีนี้ก็อธิบายในเชิงปัญญาเพราะเขาเบาใจแล้วนี่แล้วก็ให้ธรรมะอะไรแต่เไรเป็นโอกาสที่จะให้ธรรมะไปอีกต่อไปนี้เลี้ยงลูกนะให้มีหลักในการเลี้ยงนะให้มีพรหมวิหารนะให้มีเมตตากรุณามุทิตาเบกขายังไง ถ้าหากเขาไม่มีเหตุอย่างนี้เขาไม่มาหานะเขาไม่เคยถามเลยเป็นโอกาสให้พระได้แสดงธรรมสอนวิธีเลี้ยงลูกอีกอได้ประโยชน์หลายชั้นถ้ากลายเป็นว่าเป็นสื่อตอนนี้นอยู่ที่พระจะใช้หรือม่ใช้เกิดพระมาใช้เป็นโอกาสได้ลาบแล้วเ่ไหมโยมาได้จะทําพิธีเราจะได้ปัจจัยแหละเลยไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมชาวบ้านก็หลงตามเดิมหลงหนักเข้าไปอีกเนี่ อันนี้อย่างไรก็ตามก็คือว่าไอ้เรื่องของมนุษย์บุตุชนเนี่ยความหวาดหวัน่นเกรงภยัยอันตรายที่มองไม่เห็นเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาพระเราก็โบราณก็เลยใช้เรื่องเหล่านี้เข้ามาใช้ปิดช่องความหวั่นใจเพื่อจะให้ธรรมะเข้าไปถึงก็ปิดช่องความหวั่นใจซะก่อนด้วยถ้าไม่ปิดช่องความหวั่นใจใจเขาไม่อยู่ไม่เป็นอันฟังด้วยหรือฟังไปแล้วก็ออกไปแล้วก็ไม่แน่ ไม่มัน่นคงทีนี้ถ้าปิดช่องความหวั่นใจแล้วไปอันว่าเอาแล้วนะมาหาพระได้หมดไม่ต้องไปหาหมอผีไ ป, ไ, ปไม่ต้องไปหาคนทรงถูกไหมก็จบที่นี่เลยไอทางที่จะเพียงพรั้มก็ไม่มีใจก็สบายก็หมดเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเอามาเข้ามาให้พุทธศาสนาไปคลุมพวกเหล่านี้เข้าไปด้วยนะเพื่อจะได้มาหาพระแล้วจบไปที่นี่เลยได้ทุกอย่างทีนี้นอกจากนั้นและอะไรอีก นอกจากว่าปิดช่องความหวั่นใจแล้วช่วยเขาแล้วยังเป็นการที่กันผลเสียจากรัฐที่ลึกลับไสยศาสตร์ภายนอกที่เป็นเรื่องกิเลสเพราะว่าพวกรัฐที่ไสยศาสตร์ภายนอกเนี่ยเช่นเดียวกับพวกผีสางเทวดาเนี่ยมันมีทั้งรายทั้งดีใช่ไหมแม้แต่เรื่องพวกเชื่อเทวดาอย่างฮินดูเนี่ยก็บอกแล้วเมื่อเช้าว่า เทวดานี่ก็รบกันเก่งนักยกทับแย่งคู่ครองอะไรต่ะไรกันโลภโทสะราคะว่ากันเต็มที่โมหะอันนี้ศัยศาสตร์ก็เหมือนกันมีเรื่องของการหาผลประโยชน์เรื่องของการแก้แค้นอะไรใช่ไหมเรื่องของกิเลสเนี่ยมานี้ในแง่นี้แล้วพุทธศาสนาเราก็มีตัวมาเทียบคู่ว่าเราก็มีแต่ของเรามีแต่คุณอย่างเดียวไม่มีโทษ อันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฐรนบุทรศาสนานี้ไม่มีโทษไม่มีกิเลสมีแต่พระคุณใช่ไหมอ้าวอันนี้เมื่อเข้ามาแล้วจะไม่มีเรื่องการที่จะไปคิดร้ายผู้อื่นจะไปทําร้ายกันไม่มีทีนี้ถ้าไปกลัวเพราะไปถูกไอ้พวกหมอผีหรือพวกสัรมไสยศาสตร์ข้างนอกอย่างขเขมรนี่เก่งนักเรื่องเนี้ยทำร้ายคนนะเรื่องใช้ไยศาสตร์ทําร้ายคนเนี้ย มีชื่อเรื่องหรือมานี้พอมาหาพระนี่พระแก้ให้ได้แก้การทําร้ายของพวกศิยศาสตร์ข้างนอกพวกเก่งพวกขรุขระใช่ไหมแก้ให้ได้แต่ว่าเราทําแต่ส่วนคุณคือเราแก้ผลเสียผลร้ายการทําร้ายแล้วเอาแต่ส่วนที่เป็นคุณอย่างเดียวนี่ก็ดึงเข้าหาธรรมแะแล้วใช่ไหมฮะนี่อันนั้นก็มีทางหลายอย่างที่ว่า ท่านเอามาใช้ในทางที่นําเข้าสู่พุทธศาสนาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการสื่อเข้าสู่พุทธศาสนาอย่างหนึ่งเป็นตัวเชื่อมเป็นจุดที่จะเชื่อมต่อจากศาสนาภายนอกเข้าสู่พุทธศาสนาในขณะที่พวกนั้นเนี่ยมุ่งหวังลาบผลประโยช น, นย์การเห็นแก่ตัวสนองความต้องการของตัวเองการแก้แค้นการทํำลายสิ่งกันและการพุทธศาสนาไม่มีแต่ถ้าพระทำหน้าที่แค่อย่างนั้น ก็จะถูกเหมือนอย่างนักสังคมวิทยาท่านหนึ่งท่านเขียนตำราที่เคยเล่าให้ฟังเพราะนั่นเขาไม่เข้าใจเขามองพระเหมือนกับศาสนาโบราณว่าโอศาสนานี่ก็เป็นที่พึ่งที่ยึดเนี่ยจิตใจคนเป็นที่พึ่งที่ยึดยอย่างไรมีความกลัวมีความหวาดหวัน่นเกรงภยัยอันตรายก็ไปหาศาสนาเนี่ยเช่นว่าหมอผีก็ศาสนาเหมือนกันหาพระ ไปหาแล้วก็ทําพิธีให้ก็ปลอบประโลมใจก็หายกลัวหายหวาดนะฮะสบายใจโล่งใจไปใช่ไหมอันนี้เขาก็เลยมองว่าออพระนี่ก็มีหน้าที่บทบาทอย่างเดียวกับหมอผีก็เลยมีตําราสังคมวิทยาของหมอวิาหลาหนึ่งในประเทศไทยเนะี่ยไม่บอกว่ามหมอวิไลอะไรนะผมไปอ่านเจอเข้าเขาก็สรุปเลยขึ้นในตัวป้ายเลยบอกว่าเนี่ยอันโดยความหมายทางศาสนาแล้วเนี่ย พระกับหมอผีเนี่ยเหมือนกันนะเนี่ยสรุปเลยเห็นไหมอันนี้ก็มองได้สองอย่างหนึ่งนักสังคมวิทยานี้ก็ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเพียงพอไม่รู้จักพุทธศาสนาใช่สองก็อาจจะเป็นพร ะ, พระเราเองในกรณีที่นักสังคมวิทยาเองก็ไม่เข้าใจเพียงพออยู่แล้วแล้วพระยังไปทำให้เขาเห็นอย่างนั้นซะอีกก็คือพระเองเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ของพระที่ถูกต้อง ไม่ได้ดึงคนขึ้นมาสู่ความดีงามที่สูงขึ้น <c oughs> ก็ไปทําให้คนเนี่ยได้แค่ให้เขาได้มีหลักยึดเหนี่ยจิตใจปลอบประโลมใจสบายกล่อมใจไปได้เท่านั้นเอง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็เลยได้แค่หมอผีท <c oughs> <c oughs> ีนี้ถ้าพระทำหน้าที่ถูกต้อง <c oughs> ไอ้นี้เป็นเพียงจุดเชื่อมต่อระหว่างพุทธศาสนาศาสนาอื่น <c oughs> ว่าทําไงเราจะดึงคนขึ้นมาถอนคนขึ้นมาจากไอ้ความที่ จมอยู่ในสภาพของความหลงอะไรต่งตางๆจากความหวาดกลัวอันตรายนี้พอให้เขาได้ที่เกาะที่ยึดเหนี่ยวแล้วเราก็ดึงเขาขึ้นมาสิทีนี้ก็เป็นโอกาสที่จะสอนธรรมะให้สติปัญญาให้พัฒนาทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญานี่สิจุดนี้ที่สําคัญถ้าพระไม่ทําหน้าที่นี้ก็เสียความเป็นพระใช่ไหมไม่มีความหมายบทบาทของพระก็หายไปนะก็กลายเป็นพระก็เป็นหมอผีอย่างที่ว่าไปใช่ไหม นั่นเราจะต้องทําให้ดีกว่าแต่ว่ามันก็มีแง่ดีอยู่แล้วที่ว่าความหมายของแม้แต่ใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นเรื่องของคุณอย่างเดียวไม่มีเรื่องของโทษนั้นเราก็จะเห็นว่าเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะมีแม้แต่ความเข้าใจของชาวพุทธต่อพระพุทธเจ้าต่อองค์พระพุทธรูปถูกไหมนี่ชาวพุทธจะมองพุทธรูปในความหมายศักดิ์สิทธิ์ด้วย แต่ความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนากับในศาสนาโบราณนี่จะต่างกันชัดเจนเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ศาสนาโบราณความเก่งกาจมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อย่างที่พูดไปแล้วเช่นเทพเจ้าฮินดูที่ว่ามีความสามารถที่จะกำจัดคู่ปรัปักใช่ไหมมีฤทธิเดชแสดงโทสะได้รุนแรงใช่อันนี้เราจะเห็นว่าเมื่อ ทางศาสนาฮินดูก็สร้างเทวรูปเนี่ยเทวรูปให้ไปดูจะต้องสร้างในลักษณะที่ให้เห็นว่าโอ้โหนี่เก่งกาดดุร้ายโหดเขี่ยมทารุณมีกำลังมหาศาลกำจัดศัตรูได้อย่างรุนแรงใช่เพราะนั้นท่าทางนี่แกก็จะฮึกโขมนะผน่าดผลโจรทยานยกแขนยกขานะ่แล้วหน้าตาทะมุงถึงแล้วก็มีแขนมากมี เท้ามากอาจจะมีพันมือเลยใช่ไหมจนกระทั่งว่ามือไม่รู้พันพันมือนี่มันจะไปทําอะไรได้เนาะมันคงตีกันวุ่นหมดนะฮะนี่ให้มีแขนมากเขาว่าแล้วมีร้อยมีพันแควทศการสิบมือก็ยุ่งแล้วใช่ไมทดลองการสิบมือนี่เวลาแกใช่สงสัยจะเกใช้แค่สองสามือเท่านั้นนแกใช้สิบมือสิบมือมันตีกันเองที่น้องไปคิดดูทั้งพันมือแล้วมันจะไปทําอะไรใช่ไหมมันมาก ไรประโยชน์ธรรมชาติมันสร้างมาดีแล้วสองมือเนี่ยเก <c oughs> ่งกว่าเทวดาเทวดาสร้างพันมือสู้ธรรมชาติสร้างสองมือไม่ได้เนียอันนี้อ้าวทีนี้เทวรูปของฮินดูก็จะเป็นอย่างนั้นผ่าพผนโจนทยานนะมีอาวุธเข้ามาอีกอาวุธก็ต้องมีหมายหลายชนิดต้องอาวุธที่ดีที่สุดแหมที่มันชนิดที่มันเหลือระอาแหละนะมันเหนือกว่าอาวุธธรรมดาเนะ เป็นฟ้าผ่าเป็นอสุนีบาดเป็นอะไรต่ออะไรน่ะเป็นจักเป็นจกน่ะเรียกว่าสร้างกันขึ้นมาเนี่ยเทวรูปนี่จะต้องให้เห็นว่ามีอิทธิฤทธิปาฏิหาริมีความยิ่งใหญ่มีความสามารถกำจัดศัตรูได้อย่างยิ่งใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็พ่วงมาด้วยกิเลส น, นี่ก็อํานาจต่างที่ว่าเป็นกิเลสนี้ทีนี้มาทางพุทธศาสนานี่พุทธศาสนานี่ความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นสู่พระคุณ ความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดกลายเป็นว่าอยู่ที่ความบริสุทธิ์ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ใดสู้ความบริสุทธิ์ได้เพราะนั้นในพุทธศาสนาก็จะมีตำนานมีคำพทีที่พูดถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่ในที่สุดแล้วความศักดิ์สิทธิ์ยันยอดคือความบริสุทธิ์นี่เรามีสัจจาีิฐานเอาความบริสุทธิ์ความจริงเป็นที่ตั้งชนะพวกฤทธิ์พวกใช้กิเลส อ้าวทีนี้ความศักดิ์สิทธิ์อำนาจให้บรรดาลผลสําเร็จสร้างความศักดิ์สิทธิ์ก็คืออำนาจที่บรรดาบรรดาลผลสําเร็จให้เกิดขึ้นศักดิ์แปลว่าอำนาจสิทธิแปลว่าความสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ก็แปลว่าอำนาจที่บรรดาลผลสําเร็จไดใช่ไหมมีอะไรอ้าวของเขาบอกว่าพลังที่กําจัดศัตรูใช่ไหมของเราบอกความบริสุทธิ์ต่อไปเขามีอะไรอีกพลังแห่งความกรุณา ความปรารถนาประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นคิดจะช่วยเหลือสามพลังปัญญาใช่ไหมก็เราจะเห็นว่านี่พระพุทธเจ้าของเรานี่มีพระคุณสามประการหนึ่งพระปัญญาคุณสองพระวิสุทธิคุณสามหากรุณาคุณนี่คือยอดของความศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วเราสร้างพระพุทธรูปที่แสนจะศักดิ์สิทธิ์เป็นยังไงพระพุทธรูปนั่งสงบใช่หม อ, อไม่เห็นแสดงอาการว่าจะไปข่มใครไปทำร้ายใครเลยนั่งสงบเรียบร้อยแถมยิ้มซะด้วยน่มีเมตตาใช่ไหมนี่บริสุทธิ์มีเมตตากรุณาเนี่ยจะช่วยคนอื่นแล้วก็บริสุทธิ์มีปัญญาปัญญาสูงสุดที่นี่คือพระคุณความศักดิ์สิทธิ์แท้ตกลงเราก็ดึงจากความหมายความศักดิ์สิทธิ์แบบศาสนาะอื่นเข้ามาสู่พุทธศาสนานี่ก็ ได้ผลละทีนี้เอาละในท่ามกลางที่อยู่สภาพแวดล้อมที่เขามีความเชื่อเหล่านี้พุทธศาสนาก็มีเรื่องเหล่านี้เข้ามาช่วยแต่ดึงเข้ามาในความหมายที่ขัดเกลาให้ประณีตใช่ไหมนี้สิ่งเหล่านี้แเราจะต้องยอมรับความจริงที่พูดไปแล้วว่าพุทธชนเนี่ยใจมันยังหวั่นไหวมันยังมีกิเลสอันนี้ถ้าไม่ได้ฝึกจิตอย่างดีนะอ้าว เวลาเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้ารุนแรงขึ้นมานี่มันตั้งตัวไม่ติดเหมือนกันนะถ้าตั้งตัวไม่ติดจิตตะเลิดเสียขวัญขวัญหนีดีฟอ่อนนี่ทําอะไรไม่ถูกเลยนะพละงกาลังก็ไม่มีแล้วทําอะไรก็ไม่ถูกด้วยเพราะจิตใจไม่มีจุดยึดเสียสติเสียสมาธิถ้าอย่างนี้แม้เป็นชาวพุทธก็กลายเป็นแพ้พวกอื่นทีนี้พวกที่มีศรัทธารุนแรงเนี่ยนะไม่ว่าเชื่ออะไรหรอก เอาอะไรก็ได้นแม้แต่เอากบเอาเขียดก็ได้นก็าศาสนาโบราณบางทีไปเอาสัตว์อะไรแต่อะไรก็ได้มาบรรทับถือถูกไหมเอาอะไรก็ได้ให้มันมีศรัทธาสักอย่างก็แล้วกัมันอยู่ที่จิตไร้สานึกถ้าลงมาเชื่อลงจิตไร้สํานึกแล้วนะจิตมันมั่นเลยทีเดียว น, นั้นจะไปาศาสนาที่ไหนที่ไหนก็มันสําคัญสาระมันอยู่ที่อันเนี่ยตัวศรัทธาที่ลงถึงจิตไร้สํานึก นี่ถ้าเขามีศรัทธารุนแรงศรัทธารุนแรงนี่มันทําให้จิตมีกําลังใช่ไหมแล้วจิตมันจะพุ่งแนวไปสู่สิ่งนั้นเพราะจิตพุ่งแน่วมันก็เกิดสมาธิดินี่เกิดเหตุร้ายขึ้นมาโดยฉับพลันทันทีเนี่ยปั๊บเลยนะคนที่มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จิตมันมีจุดรวมเลยมันมีจุดพุ่งจุดรวมปั๊บมันไปอยู่ที่สิ่งนั้นมันก็เข้มแข็งขึ้นมาใช่ไหม พอจิตมาเข้มแข็งมีจุดยึดใจมันก็เป็นสมาธิตั้งสติได้ก็ทำการได้สิทีนี้คนที่ไม่ได้มีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้เนะี่ยและไม่ได้ฝึกจิตของตัวเองดีพอพอเกิดเหตุขึ้นมาตั้งสติไม่ทันจิตเลิดเลยพลาหมดเลยคราวนี้เลยแย่เลยใช่ไหมทำอะไรไม่ถูกเลยกลับแพ้พวกมีศรัทธาดัง น, นั้นจะไปดูถูกทำยังไงก็งเราจึงต้องมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความหมายนี้แต่ว่าเราดึงเข้ามาหาพุทธคุณเพราะนั้นชาวพุทธเราก็มีพุทธคุณมีพระตันตนาใจไว้เป็นหลักซึ่งดึงมนุษย์เราในีพ้นจากความชั่วร้ายจากโทษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันไม่เข้าเรื่องเหล่านั้นแล้วทํามนุษย์ให้พัฒนาให้ประณีษขึ้นมาน่าจะได้สามารถเราไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นไม่ให้เขาไม่ซึ่งยึดเหนี่ยวและอยู่เท่านั้นแต่เราต้องการดึงเขาขึ้นสู่สิ่งที่ดีงามขึ้นไปด้วยไม่ใช่จมอยู่ใช่ไหม เรื่องของจิตไร้สำนึกนี่มันเป็นเรื่องที่ว่าแรงจนคาดไม่ถึงสมมติว่าเราเข้าไปในป่าเอาในทางร้ายนะฮะเราเข้าไปในป่าเนี่ยนะเดินกันไปเป็นกลุ่มเนี่ยมีคนหนึ่งตะโกนเขาบอกเสือมาแล้วท่านี่แหละครับตัวสั่นงินงกตั้งสติไม่อยู่อะไรต่างๆเป็นกันไปต่างๆเนี่ยต้องคิดไหม ว่าเสือรูปล่างมันเป็นอย่างนั้นนะเออมันน่ากลัวอย่างงั้นมันเป็นอันตรายต่อเราอย่างงั้นต้องใช้เวลาคิดไหมครับที่จะเกิดตัวสั่นงินงกไม่ต้องเลยใช่ไหมนี่คือสภาพที่ลงจิตไร้สำนึกไอ้สิ่งอะไรที่มันลงถึงจิตไร้สำนึกเนี่ยมันออกมามันทันทีพร่างมันไม่ต้องเวลาคิดหรอกไม่เหมือนของเรื่องของจิตสํานึกถ้าจิตสํานึกต้องคิดก่อนจะเอายังไงจะทําไงนี่ในทางเรื่องของ ตรงข้ามก็เช่นเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงมีคู่เทียบเวลาเราเกิดความประมาทไม่ต้องไปถึงหนีเสือหรอกเอาแค่ว่าจะต้องคื้พูดในที่ประชุมเนี่ยแล้วมันต้องมาคิดไหมว่าจะประมาทมีไหมต้องคิดไหมมันเป็นมาเองใช่ไหมออนี่มันมาจากจิตไร้สำนึกเพะฉะนั้นความกลัวความหวาดเนี่ยนะ ทีนี้มันมีอะไรล่ะที่จะทำให้จิตของคนมีตัวสู้อนเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในจิตไร้สำนึกเหมือนกันต้องแรงพอกันใช่ไหมนี่พอว่าเสือมาแล้วนี่ถ้าเรามีไอ้หลักที่ความเชื่อในใจที่มันแข็งมากใช่ไหไอ้ตัวนี้มันยันกันอยู่ในตัวเลยปั๊บดุนเลยใช่ไหมอยู่ไม่ตัวสัน่นไม่ขวัหายไม่เต ล, ดเลิดลอันนี้เราสามารถไปถึงได้ไหม ด้วยตนเองถ้าตนเองต้องฝึกจิตฝึกจิตให้มีความเข้มแข็งพออันนี้คือการพัฒนามนุษย์แต่สำหรับมนุษย์ปุถุชนที่ยังไม่มีพื้นฐานนี่ก็อาศัยอะไรอาศัยสิ่งที่เชื่อใช่ไหมมามาคู่ดุลกับไอ้สิ่งที่เป็นตัวตรงข้ามในระดับจิตร้สำนึกเนี่ยดันั้นต้องคิดหลายๆชั้นเรื่องเหล่านี้เหตุการณ์แบบนี้จะมีเยอะเลยนะฮะบอกว่าเวลา มีอะไรไอ้ที่มันลงถึงความกลัวเป็นต้นเนี่ยที่อยู่ในจิตไร้สำนึกเนี่ยมันเป็นทันทีเลยใช่ไหมขาสันพับผับั บ, บ, บหรื อ, อยังแม้แต่อย่างที่เคยเล่าอะ่ะนักมวยนักกีฬาเนี่ยแข็งแรงออกจากกอะไรนไปสอบสอบมาแล้วก็วันถึงประกาศผลก็มาดูผลสอบประกาศ พอดูประกาศผลไม่มีชื่อเท่านั้นแหละขาอ่อนพับยืนไม่อยู่เลยเชื่อไหมเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้เอ้าก็นักกีฬาก็แสนจะแข็งแรงร่างกายฟิตอย่างกับอะไรใช่มหมยู่ยู่มาอ่านประกาศเท่านั้นแหละขาอ่อนยืนไม่อยู่แล้วเดินไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยกำลังใจมันลงจิตถึงไรสํานึกเนี่ยมันไม่ต้องคิดหล่ะมันเป็นทันทีเลยอพราะนั้นอะไรที่มัน จะแก้กันอย่างทันทีได้อย่างนี้ไม่ต้องใช้ความคิดมันต้องถึงขั้นนี้ใช่ไ้ยมันต้องถึงขั้นนี้จึงจะแก้กันได้ไปมัวคิดกันอยู่ไอ้ฝ่ายนั้นมันไม่ต้องคิดพอได้ยินท่านั้นมันไปแล้วไอ้ฝ่ายนี้จะมาคิดอยู่ตามเหตุผลว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่ทันหรอกนะฮะนี่เป็นเรื่องที่ต้องแก้กันให้ถึงขั้นจิตไร้สานึกแต่เอาแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นอันว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจเหตุผล เพระนั้นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ก็เข้ามาสู่พุทธศาสนาแต่ต้องระวังมากอ้าวทีนี้ว่าความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ในแง่นี้ก็เหมือนกับมีผลดีอยู่บ้างทําให้เกิดกําลังใจความเข้มแข็ง ข, ขึ้นมาใช่ไหมโดยเฉพาะในระดับของเรื่องจิตไร้สานึกที่มีความรุนแรงอาจจะเกิดขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณความกลัวเป็นต้นมาแก้กันได้แต่ต้องระวังพร้อมกันนั้นมันก็มีผลร้าย เมื่อเราเชื่อในสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เริ่มจะมีผลก็คือการหวังพึ่งว่ามีอำนาจโดนบันดาลอำนาจภายนอกที่จะมาช่วยเราเนะ่เราก็มีความอุ่นใจนะนี่ลองคิดดนะูคนที่หวังสิ่งที่ช่วยเหลือภายนอกยังต้องพึ่งสิ่งภายนอกอยู่นะก็มีความอุ่นใจมีผลดีนี่เราไม่ได้ปฏิเสธใช่มมีผลดี มความอุ่นใจมั่นใจกำลังใจเกิดขึ้นแหละแต่ว่ากำลังใจนี้มาจากการที่อุ่นใจว่าจะมีพลังอื่นมาช่วยหรือคนอื่นช่วยใช่การที่ว่าถ้าเราทำได้ด้วยตนเองอันไหนดีกว่ากันการที่ว่าอู้อุ่นใจมั่นใจว่าเนี่ยมีภัยอันตรายท่านจะมาช่วยเราการที่เราแก้ไขอันตรายได้ด้วยตนเองเอาอันไหนดีกว่ากันอันหลังดีกว่า เราจะยอมจมอยู่แค่ระดับหวังพึ่งอุ่นใจสบายใจแค่นั้นหรือเราจะพัฒนาไปสู่การพึ่งตนเองได้แก้ไขปัดเป่าปัญหาด้วยตนเองถ้าอย่างนี้เราก็แบ่งคนเป็นสามระดับระดับที่หนึ่งคือคนที่ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ไม่มีความสามารถแล้วก็ไม่มีที่พึ่งเลยไม่มีความหวังว่าใครจะช่วยขาดความหวังขาดความอุ่นใจ ขาดกําลังใจนี่พวกที่หนึ่งพวกที่สองนี่มีความหวังจากอํานาจภายนอกคนอื่นเนื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยอุ่นใจมีกําลังใจพวกที่สองพวกที่สามนี่มีความสามารถจะกําจัดภัยอันตรายได้ตนเองพึ่งตนเองได้สามพวกนี้เอาลองวัดสิครับระดับไหนดีที่สุดระดับสามแล้วระดับไหนลองลงมา ระดับสองยังมีความอุ่นใจและที่แย่ที่สุดก็คือระดับหนึ่งเอานะอันนี้โดยทั่วไปใครๆก็ต่องตอบอย่างเงี้ยนะหยาบเพิ่งบางทีไม่แน่นะอันนี้เอาละโดยมาตรฐานสามวันก็ต้องว่าอย่างเนี้ยการที่มีที่พิ่งให้ความอุ่นใจมันก็ยังดีนะแต่ว่าอันที่หนึ่งที่สองเนี่ยไม่เด็ดขาด คนที่ไม่มีที่หวังว่าจะมีใครมาให้พึ่งมาช่วยเนี่ยนะกับคนที่มีที่หวังอุ่นใจว่าใครจะช่วยเนี่ยดูก่อนว่าพวกที่หวังพึ่งมีคนจะช่วยเนี่ยจะมีจุดอ่อนอะไรบ้างจุดอ่อนอย่างน้อยสองประการหนึ่งการที่หวังพึ่งผู้อื่นได้ทำให้รอคอยและ ไม่เพียรพยายามที่จะแก้ไขใช้ปัญญาบำบัดปัญหาด้วยตนเองไม่ดิ้นรนนะไม่ทำความเพียรพยายามอุ่นใจแล้วก็นอนรอสิใช่หมเอาละ่ะทำให้อ่อนแอใช่มตกอยู่ในความประมาทเพราะปล่อยเวลานี่หวังพึ่งตัวเองก็เลยไม่ได้พัฒนาตัวเองด้วยไม่พัฒนาตัวเองด้วยตกอยู่ในความประมาทด้วยนะอนี้ หนึ่งแล้วนะฮะหวังพึ่งเขาสองอะไรสองก็คือความไม่ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะท่านจะช่วยจริงหรือเปล่าบางทีถึงก็ช่วยได้จริงหรือเปล่าด้วยใช่แล้วช่วยได้จริงจะมาช่วยหรือเปล่าใช่ในเวลาที่ต้องการแล้วเราเองจะต้องทําแค่ไหนความไม่ชัดเจนเรื่องนี้เป็นอันตรายมาก มนุษย์นี่ถ้าไม่มีความชัดเจนว่าเขาจะช่วยแค่ไหนตัวต้องทำแค่ไหนเนี่ยอันตรายทำให้รีรีรอรอหันหิ ร, ร, ร, ร, ริหันขวางแล้วก็ไม่ทำการอะไรให้ชัดเจนลงไปทีนี้เราไปเทียบกับคนที่ไม่มีความหวังเลยนะอาจจะแย่เลยหรือไม่งั้นจะดิ้นเต็มที่คนที่รู้ว่าไม่มีใครช่วยเด็ดขาดแล้วนะมันจะดิ้นสุดฤทธิ์เชื่อไหม แล้วเขาอาจจะเข้มแข็งและอาจจะเลยหน้าพวกที่สองได้ดฉนั้นการที่มีความหวังจากการช่วยเหลือผู้อื่นนี้มีอันตรายอย่างที่ว่ามาแล้วสองประการการหวังพึ่งก็ทำให้อ่อนแอได้วตนเองแล้วก็การที่ไม่ชัดเจนนี้จะทำให้หันหลีหันขวาง <c oughs> นะทำอะไรก็ไม่ทําให้ชัดลงไป อันนี้เรื่องนี้เป็นแม้แต่ไม่เฉพาะอํานาจช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล้นลับนะอานาจที่เราจะหวังพึ่งจากภายนอกเนะี่ยมีสองแบบคือหนึ่งจากมนุษย์ด้วยกันสองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อานาจเล้นลับที่มองไม่เห็นแม้แต่การหวังพึ่งในหมู่มนุษย์ด้วยกันก็มีอันตรายในสังคมใดที่มนุษย์ช่วยเหลือกันดี ช่วยเหลือกันจริงๆด้วยซึ่งอาจจะช่วยกันดีกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนะพราะแน่นอนกว่าแต่เมื่อมนุษย์หวังพึ่งกันได้แล้วจะทําให้คนจํานวนไม่น้อยเนี่ยรอคอยความช่วยเหลือและได้ความหวังพึ่งผู้อื่นนั้นก็ไม่ทาําตานไม่ดิน้นรนข้นควายก็จะอ่อนแอและตกอยู่ในความประมาทเป็นเหตุอ่อนแอทั้งของสังคมเลยทีเดียวประการที่สองการช่วยเหลือนั้นไม่ชัดเจน แม้แต่ในระดับประเทศเช่นว่ารัฐบาลกับประชาชนรัฐบาลให้ความหวังกับประชาชนว่าจะช่วยเหลือแต่ไม่ได้ทําความชัดเจนว่ารัฐบาลจะช่วยได้แค่ไหนประชาชนต้องทําเองเท่าไหร่ถ้าอย่างนี้ประชาชนจะรีรีรอรอจะทำอะไรก็ไม่ทำหันรีหันขวางอันนี้เขาจะช่วยหรืออะไรจะความช่วยก็ไม่แน่จะมาสักที เลยไม่เป็นอันทําอะไรถ้าอย่างนี้ไม่ช่วยเลยเด็ดขาดดีกว่าถ้าไม่ช่วยเลยมันรู้แน่นอนไปแล้วมันจะดิ้นสุดดทธิ์อย่างที่ว่าถ้าคนเรามันรู้ว่ามันต้องทําแล้วนะไม่มีใครเอาด้วยไม่มีใครช่วยใช่ไหมต้องทำเนี่ยมันจะทําการและมีความเข้มแข็ง ข, ขึ้นมานั้นอันตรายจากการหวังพึ่งผู้อื่นนี้จึงมีทั้งสองสถาน หนึ่งการที่หวังพึ่งได้ก็อดอแอ ร, รอคอยตกอยู่ในความประมาทสองความไม่ชัดเจนว่าจะช่วยแค่ไหนก็จะทำให้หันหลีหันขวางหรีรอทำอะไรก็ไม่ทำให้เด็ดขาดลงไปนั่นนี้เป็นคติไม่เฉพาะการสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ในหมู่มนุษย์ด้วยกันเองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนหลักธรรมว่า่อาอยู่แค่เมตตากรุณามุติตาต้องถึงอุเบกขาด้วยเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ แล้วก็ในหมู่มนุษย์ที่ว่าเช่นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนต้องระวังอย่าให้ประชาชนอยู่ด้วยความหวังแล้วไม่ชัดเจนว่าเขาจะต้องทำแค่ไหนนะต้องให้เด็ดขาดลงไปเลยต้องทำความชัดเจนถืออันนี้เป็นเรื่องสำคัญมาว่ารัฐบาลจะช่วยแค่ไหนประชาชนต้องทำเท่าใดอันนี้ต้องชัดที่สุดถ้าไม่ชัดนั้นคือความเสื่อมของสังคมทันทีเลยนะบอกแลวว่า ถ้าจะช่วยแบบนี้ไม่ช่วยดีกว่านะถ้าไม่ช่วยให้รู้ว่าไม่ช่วยเด็ดขาดเธอจะต้องทําเองเขาจะดิน้นแล้วเขาจะเข้มแข็งขึ้นมานะเอาละครับเป็นอันว่าเพราะฉะนั้นไม่แน่ว่าระดับหนึ่งกับระดับสองนี่ใครจะดีกว่ากันใช่ไหมอย่าไป น, นึกว่าคนที่ไม่มีความหวังพึ่งใครไม่ได้นี่จะแย่กับคนที่มีที่หวังพึ่งอนะเพราะว่า ความหวังพึ่งนั้นมีโทษที่ทําให้อ่อนแอแล้วก็ความไม่แน่นอนเด็ดขาดในการที่ต้องดิ้นรนข้นวายทําเองตกอยู่ในความประมาทเป็นต้นเพราะฉะนั้นการหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อํานาจเด็นลับนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงสนับสนุนตอนนี้จุดแยกที่สําคัญมามาช่วยได้เฉพาะให้กําลังใจในการกระทําการเช่นหายกลัวพระไปปฏิบัติธรรมในป่าที่พูดไปแล้วนะ พระพุทธเจ้าให้หลักว่าเราลึกถึงพระพุทธเจ้าจะได้หายกลัวแล้วมีกําลังที่จะมาปฏิบัติแต่สิ่งที่จะต้องปฏิบัติชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมพระจะต้องปฏิบัติหน้าที่ไอการที่มาช่วยให้กําลังใจเนี่ยไม่ไปทําให้ขัดขวางการที่ท่านจะปฏิบัติกิจหน้าทีแต่ไปส่งเสริมกําลังขึ้นไปแต่ถ้าการเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หวังพึ่งนี้มันมา ทำให้เราเลยคิดว่าคนอื่นมาช่วยแล้วเราก็เลยไม่ต้องทำแสดงว่าเราจะไม่มันการที่เชื่อหวังพึ่งหรือการเกิดกำลังใจครั้งนี้ไม่ไปสนับสนุนการกระทาของตนผิดเลยทันทีใช่ไหมมันกลายเป็นไ ป, ไปหยุดการกระทำเลยหยุดความเพียรมันต้องเป็นตัวหนุนความเพียรเท่านั้นจึงจะใช้ได้ถ้าไปหยุดความเพียรผิดนีการหวังพึ่งนี้ทาให้ผิดเพราะว่า หวังพึ่งทําให้ตนเองไม่เปี่ยนพัชย์ย า, ยาจุดนี้พลาดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธว่าเทวดามีจริงหรือไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธฤทธิดเดชปาฏิหารมีหรือไม่มีรับเลยมีเทวดามีอิทธิฤทธิปาฏิหารมีจริงนะไม่ไปเสียเวลาเถียงเถียงไปก็ไร้ประโยชน์ เทียงไปร้อยปีพันปีไม่รู้จักจบไม่มีชนะกันแนละ้วถ้าเถียงว่าเทวดามีไม่มีนะอีกห้าพันปีก็เถียงไม่จบเถียงว่าริษปฏิหารมีจริงศิลศาสต ร, ร์ทําได้จริงไหมเนี่ยเทียงอีกห้าหมื่นปีไม่จบเชื่อไหมเถียงไปทําไมแล้วก็รอว่าต้องเถียงเสร็จแล้วจึงปฏิบัติได้ไม่ได้เรื่องพุทธศาสนาท่านไม่ให้รอการปฏิบัติของพุทธศาสนาไม่ต้องไปขึ้นไม่ต้องไปรอการเถียงเหล่านี้ ยอมรับก็ได้มีก็มีเป็นไรไปเทวดามีก็มีฤทธิปาฏิหาริยศาสตร์มีก็จริงมีฉันก็ไม่พึงนี่นี่พุทธศาสนาเด็ดขาดตรงนี้นะเทวดามีฉันก็ไม่หวังพึงเออฤทธิปาฏิหาริย์มีฉันก็ไม่หวังพึงไม่ต้องไปรอเขาเถียงแกจะเถียงก็เถียงกันไปแกจะเถียงเถียงไปฉันไม่รอฉันปฏิบัติได้ทันที เนี่ยจับจุดนี้ให้ได้พุทธศาสนาไม่ต้องไปเถียงนะฮะก็มันเด็ดขาดไปแล้วมีก็ไม่หวังพึ่งแล้วจะไปยุ่งอะไรอีกใช่ไหมมันก็เด็ดขาดหมดเรื่องไปแล้วนเะนี่ยเดี๋ยวนี้ยังจับจุดนี้ไม่ได้ไปเถียงก็อยู่นะั่นะเออคล้ายๆว่าเออถ้าเถียงกันท่รู้วมีแล้วต้องหวังพึ่งสิใช่ไหมไปอยู่ที่นั่นเองเลยไม่ได้ไปอันปฏิบตัติพุทธศาสนาเด็ดขาดมากตรงนี้นั่นเราเลยไม่ต้องไปขึ้นกับการถกเถียงของใคร พระพุทธเจ้ามีฤทธิ์ใช่ไหมมีฤทธิ์มากออใครจะมีฤทธิ์ถาพระพุทธเจ้าล่ะเออแต่พระพุทธเจ้าใช้ฤทธิ์ทำอะไรบ้างในพุทธประวัติมีไหมครับสี่สิบห้าษาพระพุทธเจ้ายอดของคนมีฤทธิ์เคยใช้ฤทธิ์บันดาลผลที่ต้องการให้แก่ลูกศิษย์คนไหนมีไหมไม่มีจริงไหมอ่า แล้วทำไมพระพุทธเจ้ายอดมีฤทธิ์แล้วทำไมไม่ใช้ฤทธิบ์บรรดาลผลที่ต้องการให้กับลูกศิษย์กับสาวกแก่ชาวพุทธเดี๋ยวก็ชาวพุทธคนนี้มีเรื่องอยากได้นี่ก็ไปหาพระพุทธเจ้าช่วยบรรดาลไม่มีใช่ไหมพระพุทธเจ้านี่หลักการของเราชัดมีเหตุผลทั้งท่าที่มีทําได้จริงแต่ไม่เอาเทวดาเรายอมรับมีให้อยู่กันยังมิตดอย่าไปอ้อนวอนอย่าไปหวังพึ่ง ทำหน้าที่ของกันละ ก, กันนะเสร็จแล้วเทวดาดีมีคุณธรรมจะช่วยช่วยดีคุณธรรมสิใช่ไหมเรื่องจะเป็นอย่างนี้ในตำนานคัมภีร์พุทธศาสนาเราไม่ต้องไปหวังพึ่งไม่ต้องไปอ้อนวอนขอความช่วยเหลือถ้าเทวดาดมีคุณธรรมก็ต้องช่วยคนดีถ้าเทวดาไม่มีคุณธรรมก็ต้องรอให้คนไปอ้อนวอนให้ครึ่งเส้นใช ถ้าให้เทวดารอเครื่องเส้นไอคนดีไม่ได้เส้นก็ไม่ช่วยคนร้ายไปเส้นก็ช่วยเอ๊ะอย่างนี้มันจะยุติธรรมเลยต่อไปศีลธรรมก็เสียหมดระบบในสังคมมนุษย์ก็เสียเทวดาก็เสียไปด้วยกันเนะ่ยในหมู่มนุษย์นี่นะคนมีอํานาจมีทรัพย์เราก็ไม่ควรไปรอหวังพึ่งใช่ไหมเราก็ควรจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเมื่อเราทําดีแล้วคนมีทรัพย์มีอานาจ ถ้าเขามีคุณธรรมเขาต้องมาช่วยคนดีสิคนดีคนตกทุกข์ได้ยากอยากไรก็ต้องมาช่วยด้วยคุณธรรมไม่ใช่ต้องไปรอให้ไปอ้อนวอนอะไรงั้นถ้าต้องไปรออ้อนวอนอย่างนั้นระบบสังคมก็เสียถูกไหมฮะตัวคุณธรรมก็ไม่มีหวังฝ่ายคนอ่อนแอก็หวังพึ่งไฝ่ายคนที่มีกําลังก็ต้องเอ า, เ, อาเรียกว่าต้องใช้เอง การยกย่องสรรเสริญยนยอหรือการที่เอากิเลสอะไรพกผลตอบแทนเครื่องเส้นอะไรเขาว่าเพราะนั้นก็เสียทีนี้ยิ่งไปสัมพันธ์กับเทวดาด้วยมันจะไม่เสียเฉพาะสังคมมนุษย์มันจะเสียสังคมเทวดาด้วยเทวดาก็จะไม่เป็นอันไปปฏิบัติพัฒนาตนเองตัวเองก็ยังมีกิเลสมีโลภะโทสะแทนที่จะไปปฏิบัติธรรมขัดกลาาพัฒนาตัวเองก็มามองว่ามนุษย์คนไหนจะเส้นฉันจะเอาเครื่องเส้นมาให้มากจะไปช่วยคนไหนใช่ไหม แทนที่จะไปดูคนไหนเขาดีแล้วเราไปช่วยเนี่ยไปดูว่าเขาให้เครื่องเส้นแล้วไปช่วยอย่างงี้มันจะใช้ได้ที่ไหน <Yeah. S 1> อ่ะนะพราะฉะนั้นเทวดาในพุทธศาสนาไม่รอเครื่องเส้นครับเรามีเรื่องเทวดาเทวดาก็เหมือนมนุษย์เนี่ยต้องช่วยด้วยคุณธรรมถ้าคนไหนทําความดีเดือดร้อนแล้วเทวดาต้องอาดร้อนเองนี่ไม่มีการไปขอเส้นไหวเลยในตำนานพุทธศาสนาอันนี้จะต่างกับของฮินดูชัด แต่ชาพูดเองก็ไม่เคยสังเกตว่าต่างกันอย่างไรของฮิวโจนี่ต้องไปบูชายัน์เญไปหาพราหมณโอ้เทวดาองค์นี้มีฤทธิ์เก่งในทางบรรดานนี้อง์นี้เก่งทางบรรดาลลาบองคนี้เก่งทางบรรดานยศอง์นี้เก่งทางบรรดาลลูกให้องค์นี้เก่งทางอะไรก็ไม่รู้บันดาลเก่งแล้วเทวดาองค์นี้ชอบเครื่องเส้นแบบนี้ชอบเครื่องเส้นแบบนี้อ้าวใครอยากจะได้อะไรก็ต้องไปหาพราม์ใช่ไหม กลายไปผู้เฉยวชาญก็บอกเออแกอยากได้นี้ต้องเทวดาองค์นี้อ่าแล้วเทวดาองค์นี้ถ้าชอบอย่างนี้ก็จัดเครื่องเส้นอย่างนี้ถูกไหมฮะพรามก็สบายสิได้ค่าค่าตอบแทนในการจัดพิธีใช่ไหมแกก็ได้เงินได้ทองแกก็กุมอํานาจในการที่ติดต่อกับเทพเจ้าไว้ใช่ไหมทีนี้มนุษย์ก็สัมปันกับเทพเจ้าต้องเอาเครื่องเส้นมามาบูชายันเอาใจหนักเข้าหนักเข้าก็ต้องค่าสัตว์ค่าคนบูชายันไม่มีที่สิ้นสุด เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดาในลักษณะสัตว์นัพราหมณ์พุทธศาสนาไม่มีไม่ต่อไปเครื่องเส้นอย่างดีบอกกล่าวอา้าวเราให้ความเคารพเราไม่เหยียดหยามเทวดาเราไปไหนเราแผ่เมตตาให้เทวดาเออความสัมพันธ์เนี่ยต้องจับให้ดีนะพุทธกับพราหมณ์พราหม์สัมพันธ์กับเทวดาต้องไปอ้อนวอนแล้วคอยหวังพึ่งคอยขอผลประโยชน์เครื่องเส้นเอาไปให้ แต่พุทธศาสนานี่มีความสัมพันธ์เป็เมตตาเป็นเพื่อนร่วมโลกเราอยู่ด้วยการเป็นเพื่อนร่วมโลกต้องมีเมตตาต่อกันไม่เฉพาะกับเทวดาหรอกแม้แต่กับแมวใช่ไหมเราก็ต้องมีเมตต า, ต า, า, ต า, า, ตตาถูกไมเพราะนั้นกับแมวยังมีเมตตาและกับเทวดาไม่มีเมตตาไงนั่นเราไปไหนเราก็แผ่เมตตาให้กับเทวดาด้วยขอให้ท่านเป็นสุขเราทําบุญเราก็อุทิศกุศลให้แก่เทวดานี้เรา สวดมนต์ล้วก็อย่างที่เคยบอกเราก็ชุมนุมเทวดาบอกให้เทวดามาร่วมฟังธรรมด้วยเพื่อแพ่จิตใจให้นี่คือการอยู่กันอย่างฉันมิตรทีนี้ถ้าคนดีตกตามเดือดร้อนเทวดาอาจร้อนพระอินทร์อาจร้อนเลยที่พระอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมาก็ดังดังศีลาประหลัดใจใช่ไหมอันนี้คติพุทธหมายความว่าเทวดาต้องเดือดร้อนเองนะไม่ใช่ว่าจะต้องมาเครื่องเส้น คนดีทําความดีเทวดาก็ต้องคอยคํานึงคอยพิจนาต้องคอยสํารวจตรวจตราใครตกตามเดือดร้อนแล้วมาช่วยช่วยดีคุณธรรมของตัวเองมนุษย์ไม่ต้องไปรอและอย่างนี้มนุษย์เองก็จะดีหลักธรรมธรรมะก็อยู่ในสังคมได้แล้วโลกเทวดาเองก็จะดีด้วยเทวดาก็จะอยู่ในธรรมะใช่ไหมฮะอันนี้หลักการอันนี้สําคัญว่ากอันนั้นก็มนุษย์ก็ต้องปฏิบัติทําหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้อง นั้นอย่างเรื่องมหาชนกเนี่ยเล่าอีกทีมหาชนกที่ในหลวงทรงนำมาพระราชนิพนธ์เนี่ยก็แสดงคตินี้ชัดเจนมหาชนกบำเพ็ญวิรยิยะบารมีนะีคราวหนึ่งก็ไปค้าขายเดินทางไปในเรือเดินสมุทรออกในทะเลใหญ่เนะเกิดมีมรสุมมารุนแรงเรือจะแตกโอ้แน่นอนแล้วเรือจะแตกมองไม่เห็นฝั่งเอาละสิพอรู้ว่าเรือแตกนะ จิตไร้สำนึกสําแดงเดชแลใช่ไหมความกลัวขึ้นมาตัวสันเ ง, งินงกคลั่ครวนเทวปริเทวนาการพวกหนึ่งก็ร้องให้คลั่ครวนลำพายลําพันถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องที่อยู่ที่บ้านเอาจิทตนี้ไม่มีสติอีกพวกหนึ่งก็กราบไหว้อ่อนบอนเทวดาให้มาช่วยอะไรต่างๆนี่คนมีอาการวิปริตต่างๆมากมายส่วนมหาชนกนี่ไม่เอาเท่านั้น ไม่ลำพันธ์ลำพึงร้องให้คำครูนไม่มาอ้อนวอนเทวดาไม่เอาทั้งนั้นใช้ปัญญาพิจารณาตั้งสติแก้ไขสถานการณ์เรือจวนจะล่มแล้วเราเตรียมตัวยังไงจึงจะดีที่สุดเรือแตกลงไปอยู่ในมหาสมุทรให้อยู่ได้นานที่สุดถ้ามันจะตายก็ให้อยู่ได้นานหน่อยแต่แต่ว่ามันในขณะที่อยู่ได้นานมันมีโอกาสอาจจะรอดใช่ไหมอาจจะมีเรือผ่านมาหรือร อ, อาจจะเราไหว้มีกําลังพอมันไม่ไกลนักก็ไปถึงฝั่ง อา้าเตรียมตัวก็ใช้สติปัญญาคิดการเตรียมหาจุดที่ดีที่สุดในเรือที่จะไปอยู่กงที่ว่ามันเรือลงไปแล้วเราจะไม่ถูกเรือดูดหรือว่าเราจะไม่ถูกครอบเสียแล้วก็หาไม้หาถอดไม้มาเตรียมตัวไว้แกก็เตรียมดีที่สุดเลยใช่ไหมพอถึงตอนมันคล่าจริงๆล่มจริงๆแกก็ดำลงตัวได้ดีที่สุดหมหาชนกเนี่ยเรียกแกก็ไม่เคยถูกเลยนะพระองค์แล้วต้องเป็นพระองค์ ขอขอภัยก็เรียกพระองค์พระองค์ก็ลงไปดงอยู่ในน้าอย่างดีมีท่อนไม้อะไรตะเลเกาะ่้แล้วแล้วก็ว่ายน้ำใช้ความเพียพรพอลงไปแล้วก็ไม่ได้ลำพึงลาพันไม่ได้ทอดถอยหดหูทอดทอแทด้ใจใช้พลังกำลังเท่าที่มีลองคิดว่าทิศไหนดีที่สุดที่น่าจะมีฝั่งมันไม่เห็นทุกทิศแหละนะเอามันก็ต้องลองทิศหนึ่งลวนะเสียงมาดูนะอยู่เฉยๆตายเปล่า ถ้าลองดูอาจจะตายก็ได้แต่อาจจะรอดก็ได้ก็ว่ายน้ําไปเรื่อยเจ็ดวันเน่ยเทวดาเทพธิดาประจำ ม, มหาสมุทรชื่อานางวันีเมฆขลาเนี่ยก็มาตรวจดูเน่ยเทวดาก็มีหน้าที่ของตนเองเหมือนกันรักษามหาสมุทรเนี่ยก็ดูคนเดือดร้อนมาก็มาเห็นมหาชนกว่ายน้ําก็นึกยิ้มเยาะในใจใจตาคนนี้มันตายแน่ๆอยู่แล้ว มันไม่มีทางเห็นฟังแล้วมาไหว้อยู่ทําไมใช่ไหมก็เลยไปปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็กล่าวคําว่านก็เลยเกิดเป็นบทสนทนาขึ้นมาก็เริ่มต้นแบบนี้ท่านจะมาไหว้อยู่ทําไมไม่เห็นฟังว่าตายเปล่าพระหมหาชนกก็บอกว่าเราเกิดมาแล้วยังมีกําลังอยู่เป็นคนก็ต้องพยายามร่าไปจนถึงที่สุดจะตายก็ไม่เป็นหนี้ใครว่างั้ น, น ก็เลยเกิดบทสนทนาไปในที่สุดก็นางมณีเมขลาก็เลยอุ้มพาเข้าฟังไปนี่คติก็คือว่ามหาชนกเนี่ยทำความเพียรด้วยสติปัญญาของตัวเองใช้สติไม่ไปอ่อนบอนใช่อ น, นเทวดามณีเมขลาก็มาช่วยก็ช่วยด้วยเมตตาด้วยคุณธรรมตัวเองนะนี่เป็นคติสลหรับมนุษย์เหมือนกันว่าในสังคมมนุษย์ก็จะต้องปฏิบัติอย่างนี้นก็ มนุษย์มีอำนาจมีกำลังก็ควรจะช่วยเหลือผู้อ่อนแอกว่าด้วยคุณธรรมของตนเองไม่ใช่ให้เขารอให้เขามาเส้นไหวมาขอความช่วยเหลือเนี่ยมันจึงจะอยู่ดีได้สังคมใช่ไหมฮะแล้วตัวคนที่อยู่ในภาวะที่อ่อนแอรหรือไม่มีที่พึ่งเดือดร้อนก็ต้องช่วยตัวเองเต็มที่ทำความเพียรอย่าไปรอหวังความช่วยเหลือผู้อื่นเอานะฮะตกลงว่าพุทธศาสนานี่เรามีคติเรื่องนี้ชัดเจนแหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้า ทรงมีฤทธิ์ยอดฤทธิ์ก็เลยไม่ใช้ฤทธิ์มาบรรดาผลที่ต้องการให้ใครก็ใช้ฤทธิ์อย่างเดียวปราบผู้มีฤทธิ์ว่างั้นนะปราบผู้มีฤทธิ์ในการเผยแผ่พระศาสนาเพราะอะไรเพราะว่าสังคมยุคนั้นนี่เชื่อกันนักหนาเชื่อติดมาจากอิทธิพลศาสนาพราหมณ์ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์ต้องมีฤทธิ์นะถือว่าคนมีฤทธิ์ถือพระอรหันต์อันนั้นก็มีค่านิยมมีภาพมีไอตัวทิฐิอันนี้อยู่นี่ พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาไปเจอพวกมีฤทธ์เยอะหมดเลยนี่ถ้าพระองค์ไม่มีฤทธ์พวกนั้นไม่ฟังเขาถือว่าเขาแนกกว่าใช่ไหมยอย่างพวกชดินเนี่ยเจอพระพุทธเจ้ามาปับโอ้ยท่านผู้นี้นักบวชหนุ่มคนนี้่าตุทางอย่างนี้เน่ไม่ได้ควา้าวะเดี๋ยวเราจะแกล้งจากมาขอพักมาขอพักก็เอาละคืนแรกชดินก็แกล้งพระพุทธเจ้าก็ผ่านคืนสองก็ผ่านคืนสามก็ผ่านเออเอา แกล้งแรงขึ้นทุกทีผ่านทุกคืนจนกระทั่งผลที่สุดชัดินไม่มีอะไรจะแกล้งแล้วสู้ไม่ได้ผลที่สุดยอมเลยพอยอมสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ฤทธิ์แพ้ก็เลยยอมฟังใช่ไหมถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีฤทธิ์เหนื อ, แ ก, อแก่ไม่ฟังอ่ะพูดอะไรแกก็ไม่ฟังทีนี้พอฤทธิ์เหนือแกก็ฟังพะฟังพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมะก็จบพระพุทธเจ้าไม่ใช้ฤทธิ์อีกเลยใช่ไหมจึงเรียกว่าใช้ฤทธิ์ปราบฤทธิ์เพื่อจะได้สอนธรรมะเป็นอุบายเป็นวิธีการในการที่จะ เรื่องนี้ฤทธิ์ก็เลยกลายเป็นสื่อธรรมะเพื่อจะนําเขาเข้าสู่ธรรมะนั้นเราก็ต้องใช้แบบเดียวกันการใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นสื่อเข้าสู่ธรรมะจุดหมายจะต้องแน่นแฟนแน่นอนเพื่อนาเขาสู่ธรรมะนะไม่ใช่ไปทําให้เขาจมอยู่นะอันนี้ก็เป็นคติในพุทธศาสนานะครับว่ากําลังใจที่ได้จากสิ่งศักดินะ์สิทธิ์นั้นเป็นกำลังใจที่หนุนในการทําความเพียร อย่าให้เป็นกําลังใจที่มาทําให้หวังพึ่งแล้วก็เลยหยุดรอหวังความช่วยเหลือแล้วก็อ่อนแอตกอยู่ในความประมาททีนี้ลัทธิหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อานาจฤทิเดชปาฏิหาริย์ศาสตร์ส่วนมากเนี่ยมันมีผลร้ายดังนี้ที่ทําให้หวังพึ่งและรอคอยนะฮะเพราะนั้นก็ทําให้ขนอ่อนแอลงไปทุกทีก็เลยขัดหลักการสําคัญพุทธศาสนาอย่างน้อย4ประการที่จะต้องจําไว้ การเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามวยศาสตร์สิ่งเล่นลับอะไรถ้ามาขัดหลักการ4ี่ประการนีใ้ใช้มาได้พุทธศาสนาไม่ยอมหลักพุทธศาสนาหนึต้องทําการด้วยความเพียรใช่ไหมนี่หลักพุทธศาสนาชัดเจนเราเรียกว่าหลักกรรมและหลักความเพียรกรรมวารทีวิริยาวารทีหรือกรรมวารทวิริยวารท้าถือหลักการกระทําด้วยความเพียรเพยายาม1ถ้าเราไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทําให้เราไม่กระทําการได้ความเพียรแสดงว่าผิดหลักการพุทธศาสนาที้นึ่ง สองกุศลศาสนาสอนหลักการแห่งปานพัฒนาตนต้องฝึกฝนตนเองให้ดียิ่งขึ้นให้มีความสามารถยิ่งขึ้นนี่ไปเจอปัญหาไปเจออุปสรรคไปเจอสิ่งที่ต้องทําและไปหวังพึ่งอำนาจเล่นลับซะแล้วรอให้ท่านช่วยเราก็ไม่พัฒนาตนเองเจอปัญหาไม่คิดแก้มันก็อยู่เท่าเดิมใช่ไหมปัญญาก็ไม่พัฒนานี่ถ้าเราเจอปัญหาเราคิดแก้ไขเราใช้ปัญญาปัญญาก็เราพัฒนาขึ้นมาอย่างนี้เราดีขึ้น ดั น, นั้นการเชื่อหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจเล่นลับก็ทําให้ขัดขาวางการพัฒนาไม่ฝึกฝนตนเองเรามีชีวิตอยู่ชาติหนึ่งแค่ร้อปีไม่เกินร้อยปีเนี่ยเดยมากเสร็จแล้วเวลานี่มันน้อยเรามาเสียเวลารอคอยความช่วยเหลือจากสิ่งเหล่านี้เราไม่พัฒนาตนเองเสียเวลาไปเปล่าชีวิตเลยทั้งชีวิตเลยหมดไปไม่คุ้มเป็นการลงทุนที่แพงมากนะลงทุนที่เราจะต้องเอาชีวิตไปทุ่มให้ทั้งชีวิตเลย แล้วเลยหมดไปกับความจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะชีวิตที่ควรจะพัฒนาได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในช่วงร้อยปีเนี่ยเลยมาเสียเวลาไปเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าไปลงทุนที่ไม่คุ้มค่าซื้อมาได้ราคาแพงเกินไปใช่นั่นเราอาจจะได้ความอุ่นใจความมีกำลังใจความสุขกล่อมใจสบายใจแต่มันคุ้มหรือเปล่าเราสูญเสียเท่าไหร่สูญเสียการที่จะได้ชีวิต พัฒนาเข้าถึงสิ่งที่ดีงามที่ประเสริฐอีกเยอะแยะเนี่ยเราต้องไปสูญเสียหมดเลยเนี่ยเราได้แค่สิ่งกล่อมใจให้สบายเท่านี้ เ, เองเลยชีวิตเราได้แค่นี้หรยอคุ้มไหมที่เราจะไปลงทุนได้ไม่เท่าเสียนั่นนะอา้าวพุทธศาสนาที่หลักการพัฒนาตนเองต่อไปสามหลักความไม่ประมาทพุทธศาสนาะเน้นนักพระพุทธเจ้าตรัสซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องอยู่วยความไม่ประมาทนะ นี่ไปหวังพึ่งก็รอสทีนี้ไม่ต้องทําอะไรและใช้เวลาไม่ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็รอสิจะเวลาก็ผ่านไปผ่านไปเอีตกอยู่ในความประมาทอ่อนแอต่อไปสี่ศูญย์เสียอิสรภาพเป็นยังไงอ้าวก็เราหวังพึ่งอํานาจท่านนี่จะสําเร็จก็อยู่ที่ท่านนี่ไม่ได้อยู่ที่เราใช่ไหมเราก็ขึ้นต่อท่านสิเราไม่มีทางเป็นตัวของตัวเองเลย ความสำเร็จไม่สำเร็จอยู่ที่ท่านเราไม่เป็นตัวของตัวเองก็ต้องขึ้นต่อท่านแหละขึ้นต่อผู้มีฤทธิ์ขึ้นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นตัวของตัวเองต้องหวังพึ่งผู้อื่นพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ขัดหลักพึ่งตนเองพุทธศาสนาสอนให้พึ่งตนเองถูกไหมแล้วก็ให้มีอิสระภาพมนุษย์ต้องพึ่งตนเองได้ทําตนให้เป็นพึ่งตนเองได้คือทําได้ด้วยตนเองแล้วพึ่งตนเองได้ก็เป็นอิสระถ้า ไม่ทำตนเองให้เป็นที่พึ่งได้ก็พึ่งตนเองไม่ได้มาพึ่งตนเองไม่ได้ก็ไม่มีอิสรภาพก็ต้องขึ้นต่อผู้อื่นพุทธศาสนานั้นต้องการเน้นนักให้เป็นอิสระพระพุทธเจ้ามาสอนเรานี้เพื่อให้เราช่วยตัวเองได้พึ่งตนเองได้เป็นอิสระพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ใครมาขึ้นต่อพระองค์ถูกมพระองค์มีฤทธิ์เต็มที่สามารถเต็มที่แต่พระองค์ไม่ยอมให้ใครมาพึง่งแต่ฉันมาช่วยคือสอนให้คุณพึ่งตนเองได้ฉันจะหาทางให้คุณพึ่งตนเองได้ ก่อนที่คุณจะพึ่งตัวเองได้คุณต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ก่อนไม่ใ <laughs> ช่อยู่ๆจะพึ่งตนเองนะคนที่จะพึ่งตนเองต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพราะนั้นพระเจ้ามานี่มาช่วยเราก็คือมาช่วยสอนเราแนะนำเราเนะี่ยเพื่อให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองให้เราพึ่งตนเองได้ทาตนให้เป็นที่พึ่งได้นะ่านเะสร็จแล้วเราก็เป็นอิสระ ไม่ขึ้นตอบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ใครมาขึ้นตอบพระองค์ไม่เหมือนศาสนาเป็นอันมากที่สอนว่าต้องมาฝากชีวิตจิตใจมอบชีวิต จ, จิตใจไว้ในองค์เทพเจ้านะเทพเจ้านี้ใช่ไหมสุดจิตสุดใจพุทธศาสนาไม่มีอย่างนั้นพุทธศาสนามาสอนมาช่วยให้คนพึ่งตนเองได้พระพุทธเจ้ามาสอนเราเป็นกัลยานามิตรของสัตว์ทั้งหลายเราคนพบธรรมะเรามาบอกแสดงแล้วท่าน ได้เรียนรู้ปฏิบัติทำตามเราแล้วลท่านจะเห็นได้ตนเองทาได้ได้ตนเองเป็นอิสระนะนั่นตกลงสี่ข้อนี้ถ้าเราไปหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อานาจภายนอกเนี่ยมันก็ขัดหลักสี่ประการนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าถึงมีถึงจริงก็ไม่พึ่งเพราะอะไรเพราะมันขัดหลักการ4ประการนี้หนึ่งหลักการทำการด้วยความเพียรสองหลักการฝึกฝ น, นพัฒนาตนให้ชีวิตดีงามขึ้น สหลักความไม่ประมาทสีหส่หลักอิสรภาพพึ่งตนเองได้ใช่ไหมเพราะนั้นจึงบอกว่าได้ไม่เท่าเสียเราจะไปทุ่มชีวิตให้แก่สิ่งเหล่านี้หรือใช่ไหมในขณะที่ถ้าเราเพียรพยายามเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเราจะได้มากมายกว่านั้นเยอะเลยถ้าเรายอมทนสู้เราจะผ่านมันไปกว่าเราจะผ่านอันนี้ได้เราจะเข้มแข็งถูกไหมฮะเพราะนั้นจึงต้องระวัง สังคมที่หวังพึ่งกันได้เนี่ยบางทีไม่พัฒนาหรอกสู้สังคมที่ทุกคนต้องดิ้นช่วยตัวเองไม่ได้ใช่ไหมเข้มแข็งขึ้นมาพร่ำ น, นี้เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือกับการที่ไม่ช่วยจึงต้องดุลยภาพพระพุทธเจา้าจึงสอนหลักรมวิหารที่เราจะเรียนกันต่อไปนะแต่ไม่ใช่ไม่ให้ช่วยเลยนะจัช่วยแล้วช่วยต้องช่วยอย่างมีหลักที่ว่าช่วยโดยพยายามให้เขาช่วยตัวเองได้อ้าวนี่ก็ ว่ากันมาในหลักการต่างๆของพุทธศาสนามันมีหลายแง่หลายมุมนะทีนี้เราลองมาสรุปกันสัอีกทีว่าเรื่องของขังวัตถุมงคลพระเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะใช้ถูกต้องจะใช้ผิดอย่างไรนะสรุปได้ไหมครับ <c oughs> ที่ว่ามาเนี่ยพูดมาเยอะเลยยาวยืดเลยนะีลองสรุปสิว่ามีอะไรบ้างนะสรุปว่า เรื่องพลักเครื่องหนึ่งก็คือคนโบราณทําไว้ว่าเป็นเครื่องหมายของการที่ว่าเคยมีพุทธศาสนาเจริญที่นี่เนีเป็นวัตถุที่เป็นเครื่องสำแดงเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าก็คือองคแทนพุทธศาสนาด้วยว่าโอ้ต่อไปพุทธศาสนาหมดสูญสิ้นไปแล้วมาเจอกรุกแตกมาเจอสิ่งที่เป็นโบราณวัตถุเหล่านี้ก็อ๋อพุทธศาสนาเคยมีเจริญอยู่อา้าวสองคนโบราณใช้เป็นเครื่อง เตือนใจแลลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้ลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพราะเป็นองค์แทนใช่ไหมวัตถุนี่เป็นสื่อถ้าไม่มีวัตถุปุตชชนนี่มันระลึกด้วยนามธรรมมันระลึกยากแม้แต่จะทําสมาธิก็บอกแล้วว่าทําให้ช่วยจิตใจใช่ไหมจูงจิตได้นั่นก็เตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้านะแล้วโยงไปหาคุณค่าทางจิตใจเช่นที่เล่าไปแล้วว่าโยงไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายอุปชาจารย์ใช่ไหมที่ว่า ที่มอบหมายกันมาเป็นสิ่งที่ท่ารักษาเป็นคุณค่าของชีวิตที่เป็นสิ่งสําคัญเนี่ยมีความหมายมากซึ่งได้ผลทางศีลธรรมทางจริยธรรมอะไรต่างๆมากมายใช่ไหมคนเดียเนี่ขาดอันนี้ไปพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องนี่สื่ออันนี้อ๋อทีนี้ก็อ่าไปอ่านว่าเป็นเครื่องเตือนใจระลึกพอเตือนใจระลึกก็ไปความหมายที่3ก็คือเป็นสื่อเข้าสู่ธรรมะก็ามาใช้เป็นสื่อในการเรียกร้องศีลธรรมจริยธรรมอ้าว เธออยากจะได้พระพระท่านคุ้มครองเธอจะต้องประพฤติตัวอยู่ในศีลในธรรมต้องเว้นจากการประพฤติชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมต้องทําความดีขยันหมั่นเพียรแล้วพระจะคุ้มครองเรียกรองศีลธรรมแหละใช่ไหมฮะแล้วสื่อในการธรรมะอะเวลาจะให้ก็สอนธรรมะอะให้รู้จักสิ่งที่ดีขึ้นอะไรงนี้โดยเฉพาะเด็กเดกเด็กๆ ก, กนี่เราจะสอนจะอะไรนี้พระอาจารย์หลายน้อยองค์ที่จะมีความสามารถใช่ไหม เราต้องยอมรับเราจะไปเอาตัวคนเดียวเขาเทียบอตัวพระอาจารย์ตรงนี้อาจจะมีความสามารถสอนเด็กได้เก่งสอนได้นา ม, มาทำสอนได้คําสอนลว้ลวนเด็กก็เข้าใจแล้วก็เด็กก็ศรัทธาอันนี้พระทั่วไปถ้าไม่ได้มีความสามารถอย่างนี้นี่แต่ท่านก็หวังดีแล้วท่านมีหน้าที่อันนี้ทําไงล่ะตอนแรกๆเด็กมันก็ชอบพบ ว, วัตถุใช่ไหมสิ่งสวยๆงามๆพระสวยๆเออก็เอาให้เด็กเออเอาเอาันนี้ไปน ะ, ะแล้วก็สื่อธรรมะเอาสิสิ น, นี้ก็อยู่ที่ความ ที่จะรู้จักใช้ใช่ไหมเทคนิคก็มาแล้วอะเอาหนูน่ยแต่ว่าอย่าให้ง่ายๆนะต้องหาวิถีต้องเอาอย่างคนโบราณอนะแล้วก็มีน้อยน้อยน่ยมีน้อยหาได้ยากเด็กก็อยากจะได้ก็เอาก็ให้แล้วก็เอาเป็นชีลล์ลึกนะน่ยหรือ ว, ว่าต่อมาก็อาจจะโยงไปหาสอนธรรมะว่าเนี่ยเธอให้พระท่านคุ้มครองและรักษาข้อปฏิบัติ5ข้อพอแล้วไม่ต้องเอามากนีอย่างนี้เป็นต้นใช่มเด็กเด็กเนี่ย เด็กก็จะมีสิ่งที่เป็นระลึกเตือนใจว่าเออฉันเป็นชาวพุทธนะต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าอนะเนยมีสิ่งเตือนใจอยู่กับตัวบ้างสําหรับเด็กๆนี่มีประโยชน์มากถ้าเด็กไม่มีสิ่งนี้แกก็ไปหาล็อกเก็ตไปหาอะไรตไหลายๆอื่นไปหาสิ่งสวยงามประดับแล้วก็แกก็ต้องมีอยู่แล้วนี่หาสิ่งประดับก็เราทําไมไม่เอาพุทธรูปให้ล่ะดีกว่าไหมใช่ไหมมีคุณค่ากับการที่เพียงสวยงามอาไปอวดโก้ไม่ยังมีคุณค่าทางศีลธรรมทางจิตใจอยังผูกพันกับบิดามารดาในต่างๆพ่อแม่ จะให้ก็ได้ไม่ต้องให้พระให้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็รู้จักใช้ให้เป็นนะสำหรับเด็กๆเกนี่ยมีประโยชน์มากนะเพราะว่าเด็กนี้ต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งเป็นรูปธรรมจึงจะสื่อเข้าหานามธรรมาไดนะ้นี่ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งดังนั้นะอันนี้ก็เอาไปอ่านว่าเป็นอันวัาสื่อธรรมะใช่ไหมฮะนะแล้วอ้ออันที่สองที่ลืมไปก็คือว่า เป็นตัวกันลัทธิภายนอกที่มันจะนำให้แขวกันศยศาสตร์เป็นต้นหมายความว่ากันแล้วก็คุมคุมให้อยู่ในความหมายของการเชื่อถืออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในขอบเขต ท, ที่เป็นคุณเป็นความดีงามไม่ให้ถูกชักจูงโดยลัทธิภายนอกเช่นหมอผีให้ไปทางเสียใช่ไตกลงว่าหนึ่งเป็นเครื่องหมายการดำรงอยู่เจริญของพุทธศาสนา 2. ในความสัมพันธ์กับศาสนาโบราณอื่นๆก็เป็นเครื่องกันศยลศาสตร์ที่จะมาจูงให้ไปในทางร้ายแล้วก็คุมให้อยู่ในคุณความดีใช่ไหมนี่อยู่ท่ามกลางอันนี้ก็กันไว้ได้คุมไว้ได้ทีนี้เหนือคือ่ายเตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระรัตนตรยัยความดีงามโยงคุณค่าทั้งจิตใจไปถึงบิดามัรดาเป็นต้น 4. ก็เป็นสื่อธรรมะเข้าสู่คาสอนพุทธศาสนา แล้วก็จะทำให้จิตเกิดสมาธิรวมจิตใจได้ง่ายแล้วก็เป็นทางให้พระได้สอนธรรมะอะไรต่างไปเรียกร้องจริยธรรมก็ได้สี่ประการใช่ไหมนี่อย่างน้อยนะใช้ให้เป็นทีนี้ถ้าใช้ไม่เป็นผิดพายยังไงบ้างก็หนึ่งทำให้ติดหลงจมอยู่ในความหมายว่าสานาเป็นที่พึ่งที่ยึดเนี่ยจิตใจก็ได้ที่พึ่งํานักกล่อมใจแล้ว ได้หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะมาช่วยเรามีกำลังใจกล่อมใจสบายหายทุกข์หายร้อนหายเดือดเนื้อร้อนใจก็เลยไม่ไดิ้นหลนขนขวายนอนร อ, อความช่วยเหลือเนอ้าวไปนัดสรุปอีกทีหนึ่งการปฏิบัติที่ผิดก็หนึ่งว่าทำให้ติดให้หลงจมอยู่กับเรื่องเหล่านี้ สองก็หวังพึ่งใช่แล้วก็ทำให้อนะ่อนแอตกอยู่ในความประมาทไม่ทำการด้ความเพียรแล้วก็พึ่งตนเองไม่ไดนะ้แล้วต่อไปก็อาจจะถ้าผู้ใช้เช่นพระเนี่ยไม่เข้าใจหลักการพุทธศาสนาะไม่มีเจตนาที่ถูกต้องไม่มีปัญญาที่จะนำเขาต่อไปกลายเป็นเครื่องดึงคนออกจากพุทธศาสนาไปเลย เป็นผลร้ายที่ตรงกันข้ามเลยก็กลับไปนึกว่าสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกพุทธศาสนาเป็นแบบไสยศาสตร์เป็นแบบเทพเจ้าไปเลยใช่ไหมก็เอาความหมายนี้มาใส่พุทธศาสนาก็ดึงคนออกจากพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวเลยซึ่งเป็นไปได้มากด้วยนะเพราะฉะนั้นผลกลับตรงข้ามแทนที่จะดึงคนเข้าสู่ธรรมะสู่พุทธศาสนาก็กลายเป็นดึงออกไปเลยสี่ อาจจะเป็นช่องทางเป็นเครื่องมือของการหลอกลวงและหาลาบใช่ไหมผู้มีเจตนาไม่ดีก็อาจจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ส่วนตัวไปน่ได้ลาบได้สกราระอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ผลต่อสังคมก็คือการที่มนุษย์ก็ อยู่ด้วยความที่ว่าหวังพึ่งสิ่งภายนอกแล้วก็อ่อนแอกันทั่วไปและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากผลต่อสังคมก็คือว่ามนุษย์ที่หวังพึ่งอํานาจเล่นลับภายนอกมาช่วยนี้จุดสัมพันธ์ของเขาก็คือสิ่งเล่นลับที่เขามองไม่เห็นความสัมพันธ์ของเขาไปอยู่กับสิ่งนี้เมื่อความสัมพันธ์ไปอยู่ที่นี้แล้วเขาจะไม่ค่อยเอาใจใส่ต่อเพื่อนมนุษย์เด็กกันไม่ค่อยเหลียวแล มนุษย์นั้นอยู่ด้วยการจะสร้าง ส, าสังคมด้วยการที่เหลียวแหล ก, กันอย่างหนึ่งและการที่ต้องหวังพึ่งกันไม่จําเป็นจะต้องไปเหลียวแหลผู้อื่นหรอกแต่การที่หวังพึ่งผู้อื่นนี่แหละก็ทำให้มนุษย์ต้องไปร่วมมือกับคนอื่นใช่ไหมทำให้พยายามมาช่วยกันร่วมกันแก้ปัญหาเมื่อมนุษย์รู้อยู่ว่าเราจะต้องแก้กับปัญหากันเองได้ตัวพวกเราเองมนุษย์ก็จะไปหาทางที่จะมาร่วมกันคิดแก้ปัญหา การหวังพึ่งสึ่งกันละกันการเอาใจใส่ซึ่งกันละการเกิดขึ้นการร่วมกันคิดเกิดขึ้นก็ทําการแก้ปัญหาของสังคมได้แต่มนุษย์ที่ไปหวังพึ่งสิ่งเล้นรับอํานาจเนี่ยจุดมุ่งในการสัมพันธ์เขาไปอยู่ที่สิ่งเหล่านั้นซะแล้วเขาก็ไม่มาคิดหวังพึ่งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่อยู่ในชุมชนเดียวกันที่อยู่ในสถานะระดับเดียวกับเขาที่เป็นเพื่อนร่วมท้องถิ่นสังคมเพราะฉะนั้น การร่วมมือการช่วยเหลือกันในสังคมแบบนี้จะไม่ค่อยมีการร่วมกันคิดแก้ปัญหาเป็นต้นเพราะนั้นสังคมอย่างนี้ก็จะพัฒนาได้ยากและจะเป็นอุปสรรคแก่ประชาธิปไตยด้วยเพราะประชาธิปไตยจะต้องอาศัยการที่มนุษย์ที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นสังคมนั้นมาพึ่งพาสายสื่งกนแลนการร่วมมือกันในการคิดแก้ปัญหาใช่ไหมนั้นคือผลเสียในสังคมผลเสียในที่เป็น หลักใหญ่กงกลางซึ่งแต่ละคนก็สูญเสียอยู่แล้วก็หลายอย่างแหลนะทำให้ไม่ทําการด้วยความเพียรทําให้ไม่พยายามพัฒนาตนเองนะทําให้ตกอยู่ในความประมาททาให้ไม่พึ่งตนเองสูญเสียอิสรภาพนะนี่เป็นหลักใหญ่เสร็จแล้วในสังคมก็ยังสูญเสียอีกก็คือการที่ว่าจะไม่มาร่วมกัน ช่วยกันคิดแก้ปัญหาและทำการร่วมกันจริงไหมมนุษย์พวกนี้สังคมแบบเนี้ก็จะไม่ค่อยมีการร่วมกันแก้ปัญหาในหมู่มนุษย์อันนี้สังคมที่หวังพึ่งใครไม่ได้แล้วเขาก็จะต้องดิ้นรนสุดขีดด้วยตนเองหนึ่งสองเขาจะต้องมาหวังพึ่งกันช่วยกันคิดแก้ปัญหาในปัญหาร่วมกันของชุมชนเป็นตน้นก็จะ พัฒนาขึ้นมาได้เรียกแรงกำลังคนเพราะฉะนั้นจึงพูดว่าการหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ต้องระวังมากอาจจะเป็นการลงทุนที่ได้ไม่คุ้มเสียจะเป็นอย่างนี้มากผลได้คือทำให้จิตใจสบายผ่อนคลายทุกเวทีหลบทุกหลบปัญหากล่อมใจปลอบประโลมจิตใจชุ่มฉ่ำไปได้ใช่ไหมแต่แค่นี้มันพอไหมแม้แต่ตัวมันเองก็ทาให้พลาดได้ ก็คือว่ามันก็เหล็กสบายไม่ดินโหลนอย่างที่ว่าเมื่อกี้อ่อนแอนั้นสิ่งกล่อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งกล่อมชนิดหนึ่งเพราะนั้นนามาร์กซิสมันจึงมองศาสนาว่าเป็นยาฝิ่นใช่ไหมเพราะแกก็ไม่รู้จักศาสนาพอโดยเฉพาะแกไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยแกก็ไปเห็นศาสนาต่างๆเป็นอย่างนั้นแกก็มองศาสนาเป็นยาฝิ่นเป็นโอกเปี่ยม เนี่ย <N ee> แกไม่รู้จักคานมากไม่รู้จักพุทธศาสนาน <N ee> แล้วแกก็ไม่รู้หลักการเหล่านี้เพราะนั้นพุทธศาสนาเรารอบครอบกันเยอะอันนี้พวกคนสมัยใหม่ก็ไปชื่นชมมากเลยเข้าใจว่าโอ้นี่เขาว่าถูกนี่มันก็มีความจริงอยู่ใช่ไหมว่ า, าศาสนาก็เป็นยาฝิ่นติดเลยงอมแล้วก็ทำให้กล่อม กล่อมก็เพลินสบายสบายใจแล้วนะไปหาหมอผีก็มันนอนสบายตอนก่อนเนีมีทุกมีไฟมีภัยวาดกลัวหวั่นใจนะนอนไม่หลับพอไปหามาเสร็จแล้วนอนหลับได้ใช่ไหมแต่ว่าอย่าไปปฏิเสธซะเลยนะสิ่งกล่อมมีประโยชน์นะครับสิ่งกล่อมใช้ให้เป็นมีประโยชน์เนี่ยตอนนี้ก็ตื่นกีฬากีฬ า, าก็เป็นสิ่งกล่อมชนิดหนึ่งถ้าใช้ในขอบเขตก็เป็นประโยชน์นะ่ะ สิ่งบันเทิงดนตรีกีฬาน่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งกล่อมเท่านั้นเลยคนเรานี่เหน็ดเหนื่อยมีความร้อนรนกระบวนกระวายชีวิตปีบคั้นบางทีมันก็ต้องมาหาอะไรที่มันช่วยให้จิตใจสบายกล่อมจิตพักจิตบ้างใช่ไหมเนี่ยการร่างกายก็ต้องการการพักผ่อนจิตก็ต้องการการพักผ่อนเพราะนั้นเราก็มาอาศัยสิ่งกล่อมเหล่าเนี้เนี่ย ดนตรีบางคนก hey, okay, so so so ็เออจิตใจไม่สบายวุ่นวายก็ฟังดนตรีก็กล่อมใจสบายไปนีก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไปมาอะไรมาอ้อนวอนกราบไหว้ท่านเออหวังพึ่งท่านก็กล่อมใจสบายไปนีอะไรต่างๆเราเนี้ยกล่อมใจสบายแล้วไปมีเรื่องราวชีวิตประจําวันก็วุ่นวายก็มาดูกีฬาสบายไปทีอะไรเงี้ยดูรายการบันเทิงทีวีทีก็กล่อมใจสบายพวกเนี้มีอํานาจเป็นตัวกล่อม ทำให้คนได้พักจิตใจสบายพอพักแล้วมันก็บางทีทําให้สดจิตใจที่มันเหนื่อยเพยยเลียห่อเหี่ยวเมื่อเกิดมีความสดชื่นขึ้นมาเหมือนกันก็ได้ประโยชน์ทําให้มีพลังที่จะได้เดินหน้าแต่ว่าทีนี้มันเกิดผลร้ายตอนที่ไปติดเนี่ยถ้าเกิดไปติดสิ่งกล่อมอะไรคราวนี้ลราไปเลยนี้ข้อสาคัญก็คือมันติดไอสิ่งกล่อมเนี่ยมักจะจูงใจในการที่ติดใช่ไหม พอไปติด ก, ก็เพลินคราวนี้ก็กลายเป็นว่าแทนที่จะมีผลดีก็ผลร้ายมาแหละก็ทำให้ตัวเองหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่ดิน้นรนไม่ขนขวายไม่ทำการต่างๆจำไหมนั่นอำนาจผลในทางลบก็เกิดขึ้นเพราะนั้นเราจะต้องใช้สิ่งกล่อมให้เป็นถ้าจะใช้อา้าวก็ใช้พอว่าเออจิตที่มันดุน้นรนกระวนกระวายเร่าร้ อ, รอนเนี่ยให้มันได้สงบเย็นลงไปแต่อย่าอยู่แค่นี้นะ ให้ถือว่าเป็นการเตรียมจิตพร้อมแล้วได้พักมีกําลังแล้วเรียบแรงแล้วเดินหน้าต่อไปทําการตรงนี้ถึงเส้นสำคัญมาะฉะนั้นพวกาศาสนาต่างๆมันก็ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์อย่างน้อยคนก็ผ่อนคลายให้ทุกข์ใช่ไหมฮจิตใจก็สบายไม่งั้นเขาจิตใจมันเล่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายหมดเลยแล้วมันทําอะไรไม่ได้เลยไม่มีกําลังมันก็ช่วยได้แต่ว่าพร้อมกันนั้นก็มีผลเสียที่ว่าเนี่ยการที่ว่าทําให้กลับมาติดมาเพลน ติดเพลินก็ติดเพลินกล่อมนี่ก็เป็นโทษแล้วแล้วก็มาหวังพึ่งอีกก็อ่อนแออีกก็เป็นโทษที่พูดไปแล้วทั้งหมดนั่นแหละดังนั้นก็ต้องใช้ให้ถูกต้องนี่สิ่งกล่อมมาได้ไั้ยกระทั่งสมาธิสมาธิถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นสิ่งกล่อมอีกบางคนนี่ยังฝรั่งจิตใจเล่าร้อนเนร่ะพออยู่ในสังคมที่ บีบคั้นระบบการแข่งขันมุ่งหาวัตถุเสพแล้ววัตถุเสพก็ไม่ให้ความสมใจามาถึงจุดหนึ่งก็บเบื่อหน่ายชีวิตไม่มีความสุขไปไปมามาก็เลยมาเจอสมาธิชอบใจฝรั่งก็มาชอบใจนั่งสมาธิก็สบายหายทุกข์หายร้อนจิตใจสงบก็กล่อมอีกเอาสมาธิเป็นตัวกล่อมติดเพลินอีกอทำให้หลบปัญหาไม่แก้ปัญหาผิดอีกนะฮะ น, นั้นถ้าใช้ไม่เป็นสมาธิก็เป็นสิ่งกล่องอีกและจะใช้ถูกยังไงเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพูดกันต่อไปทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นแง่มุมที่เอามาพูดเบื้องตน้นมันมีแง่เข๋ยอยู่ตลอดเวลาแม้แต่การปฏิบัติธรรม อ, อันนี้ก็รวมความพูดมาเยอะแยะสรุปแล้วก็ไม่จบสักทีสรุปแล้วก็มาขยายออกอีกนะอันนั้นก็ เห็นถ้าจะควรจะ ok จบสนะที่จริงก็มีแง่จะพูดอะไรกันไม่รู้เมื่อกี้นึกขึ้นมาแล้วก็หายไปีกนะมันมีเรื่องเยอะเรื่องเหล่านี้มีแง่มุมมากมายนะดังนั้นเราก็จับหลักพุทธศาสนาไว้ให้ดีอย่าให้พลาดได้อย่าให้เพลียงพลั้มนะว่าเราใช้สิ่งเหล่านี้แค่ไหนแล้วก็อย่าไปดูถูกดูหมิน่นแล้วก็อย่าไปติดไปหลงใช้ให้ถูก เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีแนวโน้มไปสุดขั้วพวกหนึ่งก็ปฏิเสธกระดาว่าติเตียนไปเลยใช่ไหมอีกพวกหนึ่งก็หลงง ม, มงายติดไปเลยนี่บางทีก็บอกว่าไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เดี๋ยวนี้อ้างกันนักเสียไมาเชื่อแต่อยอมลบหลู่แล้วท่านจะตอบว่าไงไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ฉันอยากจะเรียนรู้ว่างั้นนะเห็นไหมแล้วไม่ได้ลบหลู่ผู้เจรสนาไม่เคยสอนให้ลบหลู่ใคร แต่ท่านมาให้ว่าไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วลบหลู่เลยจะต้องยอมอย่อยางนั้นไม่ได้เหมือนการพุทธศาสนาก็ไม่ยอมที่จะว่าไม่ลบหลู่เลยต้องยอมสยบบอกว่ า, วาไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เอ๊ะฉันไม่ลบหลู่แต่ฉันไม่ยอมสยบฉันจะต้องเรียนรู้เพราะนั้นคุณให้ปัญญาฉันมาให้เหตุให้ผลใช่ไหมฮฉันต้องการเรียนรู้แล้วพุทธศาสนาสอนให้เราพัฒนาตัวก้าวหน้าต่อไป ต้องทําการได้ความเพียรให้มีความเข้มแข็งเราอาจจะได้จากสิ่งกล่อมให้สบายชั่วประเดี๋ยวหนึ่งแต่ถ้าเรามีความเข้มแข็งไอ้ตัวทุกข์ที่บีบคั้นกลับเป็นพลังทําให้เราประสบความสําเร็จแล้วสิ่งที่ได้มานั้นกำไรมากกว่าถูกไหมได้สิ่งกล่อมสบายไปชั่วประเดี๋ยวหนึ่งก็ยอมทนทุกข์ทุกข์นี่เป็นตัวบีบคั้นทําให้มนุษย์นี่ไม่ประมาทโดยเฉพาะมนุษย์ปุถุชนนั้น จะเจริญงอก ง, งามได้เพราะทุกบีบคั้นภผยคุกคามมนุษย์ปตุตตชนั้นเมื่อทุกบีบคั้นและภัยคุกคามก็จะลุกขึ้นดินหลนขนขวายยามใดสบายมีความหวังก็จะลงนอนสวยสุขจำไหมเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มนุษย์ว่าดีเนี่ยบางทีมันก็เกิดผลร้ายกับตัวเองเพราะนั้นก็เราก็จับจุดให้ได้ปฏิบัติแต่สิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้อง เอาเป็นว่าสิ่งที่จะใช้ได้ก็มีแค่อะไรล่ะเนี่ยที่ว่าโดยสาระสําคัญก็คือว่าถ้าจะใช้แค่เป็นสิ่งกล่อมก็กล่อมพอให้ได้พักจิตแล้วสดชื่นแล้วเดินหน้าต่อไปแล้วต้องใช้ให้เกิดกําลังใจในทางสนับสนุนความเพียรพยายามไม่ใช่ทําให้เรานี่ไปรอคอยความช่วยเหลือเลยสยบความเพียรไม่เพียรพยายามใช่ไหมต้องใชใ้ถูกต้องอย่างนี้นะแล้วก็ ถ้ามีกําลังเข้มแข็งขึ้นให้อยู่ด้วยตนเองเลยให้ใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวเร่งตัวเองให้ไม่ประมาทยิ่งขึ้นเพราะคนที่ไม่ยอมกับสิ่งเหล่านี้นั้นใช้ทุกบีบ ค, คั้นภผยคุกคามมาทําให้ตนนี้เร่งยิ่งเร็กเร่งรัดในการที่หล่นขนขวายหนักเข้าไปอีกใช่ไหมก็อยู่ที่ระดับการพัฒนาคนด้วยสิ่งเหล่านี้ยืดหยุ่นและหลากหลายไปตามความแตกต่างระหว่างบุคคลความแตกต่างระหว่างบุคคลนั้น โดยความถนัดอัธยาศัยบ้างโดยระดับการพัฒนาบ้างแล้วยังไปสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ อ, อ, อีกเช่นปัจจัยในฝ่ายผู้สอนอย่างพระพระก็มีความแตกต่างในระดับความสามารถสติปัญญาอะไรต่างๆด้วยดนั้นการที่จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้จะตัดสินลงไปเป็นอย่างเดียวไม่ได้ต้องพูดให้เห็นเรื่องคุณและโทษและทางออกให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ที่พูดมานี่คิดว่ามีความชัดเจนพอหรื อ, อยังนีโดยเฉพาะพระเนี่ยทำหน้าที่ต่อประชาชนต้องชัดเจนเรื่องนี้ฉะนั้นต้องขออภัยที่ต้องพูดถึงตัวเองว่าตอนนี้ผมถึงย้ํานักเวลาไปพูดใ น, นที่ประ ช, ชุมว่าเวลานี้เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศยลปศาสตร์อะไรต่างๆความเชื่อเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยมันครอบงามสังคมไทยเกลื่อนกลาดแล้วเราไม่มีความชัดเจนต่อสิ่งเหล่านี้สังคมที่ไม่มีความชัดเจนเนี่ยจะเป็นสังคมที่มีอันตราย เพราะฉะนั้นจะต้องรีบสร้างความชัดเจนมีท่าทีที่มันเอายังไงลงไปให้มันแน่นอนโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้นําประเทศผู้บริหารประเทศนะหรือว่าเป็นพระสงฆ์เป็นนักการศึกษาพวกนี้จะต้องชัดเจนเลยท่าทีต่อสิ่งเหล่านี้เอายังไงต้องชัดลงมาเลยนี่มันคลุมเครือสังคมที่เต็มไปด้ความพลาดโมคลุมเครืออย่างนี้พัฒนายาก แล้วผู้บริหารประเทศชาติก็ไม่มีความเข้มแข็งพอไปเจอสิ่งเหล่านี้หน่อยหวั่นไหวซะแล้วกลัวต้องทำตามนอันนั้นไม่ดีต้องแก้ต้องเปลี่ยนเสาใหม่นต้องย้ายโนนย้ายนี่ไม่มีความเข้มแข็งผู้นำต้งมีความเข้มแข็งฉันจะยืนหยัดในหลักการตายเป็นตายลองได้คนอย่างนี้แล้วไม่ต้องกลัวนะ้เทวดายอมนะครับเทวดายอมแกนมนุษย์ที่เข้มแข็ง แล้วจะเล่าให้ฟังอีกยังมีเรื่องเอ๊ะหรือเล่าแล้วก็ไม่รู้ยังใช่ไหมยังเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดายัางให้เล่าให้ฟังอีกพุทธศาสนามีเรื่องเยอะแต่เราเนี่ยจับกันไม่ถูกเลยเราไปนับถือเพราะเมีเทวดาก็เป็นนับถือแบบพรามณ์เลยพุทธศาสนาท่านสอนมานักหนาในคับพีร์เยอะแยะไม่เอามาใช้นี่ยแต่ผมให้หลักไว้อันหนึ่งแล้วพุทธศาสนาสอนว่าทำต้องเหนือเทพแล้วมันจะมีการที่ว่า มนุษย์เกิดเกิดกรณีพิพาทกับเทวดาก็มีเรื่องอะไรต่างๆแล้วเนี้มีในคัมภีร์ทั้งนั้นและแล้วมนุษย์นี่เข้มแข็งจริงๆนะแต่เข้มแข็งต้องเข้มแข็งมีหลักคืออยู่ในธรรมถ้ามนุษย์อยู่ในธรรมเทวดาต้องยอมนะฮะเพราะนั้นผู้นำของประเทศเราผู้บริหารเนี้ยต้องเข้มแข็งถ้าฉันปฏิบัติถูกต้องตั้งอยู่ในธรรมแล้วเทวดาก็เทวดาเถอะ จะมาบอกว่าอันนี้มันไม่เอาทางนั้นละ่ะตายเป็นตายมันต้องขนาดนั้นนะแต่ด้ความเข้มแข็งนี่แหละจะสู้ได้แล้วจะนำประชาชนได้ด้วยประชาชนต้องการความเข้มแข็งประชาชนก็มีจิตใจอ่อนแออยู่แล้วแล้วผู้นำไปอ่อนแออีกแล้วจะไปได้อะไรใช่ไหมฮะอันนี้พอผู้นาเข้มแข็งเป็นหลักให้ประชาชนก็จะได้เข้มแข็งขึ้นมาบ้าง สังคมก็จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นเวลานี้เราต้องการผู้นําที่มีความเข้มแข็งที่เอาธรรมะมายืนหยัดแล้วสู้กับเทวดาได้นะจนกระทั่งเทวดาต้องยอมอย่างคติของพุทธศาสนาที่มีมาในประวัติของบุคคลในพุทธศาสนาที่ท่านยืนหยัดมาแล้วเทวดาต้องยอมใช่ไหมชาพุทธจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความเราดูถูกเทวดานะบอกแล้วนะเราไม่ลบหลู่เลยเทวดาให้เกียรติ เราโดยถือว่าเทวดาโดยทั่วไปนี้ท่านโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับคุณธรรมภูมิธรรมสูงกว่ามนุษย์นนมนุษย์ก็นับถืออย่างท่านผู้ใหญ่นให้ความเคารพมีเมตตาต่อกันอย่างที่ว่าไปแล้วอุทิศกุศลหอะไรอะไรทําดีที่สุดอะมนุษย์ก็ดีที่สุดแต่ถ้าเทวดาไม่ตั้งอยู่ในธรรมมนุษย์ก็ต้องยืนหยัดในธรรมะแล้วก็จะเป็นหลักให้แก่สังคมมนุษย์และก็เป็นหลักให้แก่เทวดาด้วย เทวดาก็ต้องพึ่งมนุษย์เหมือนกันไม่ใช่ว่าเทวดาจะเป็นฝ่ายช่วยมนุษย์อย่างเดียวในลานนี้สังคมของเราเนี่ยมีปัจจัยที่จะสร้างความอ่อนแอ ม, มากและกําลังไหลกระแสนี้กําลังแรงมากเพราะนั้นจะต้องจับหลักให้ได้จับหลักให้ได้และยืนขึ้ น, นมาในหลักการพุทธศาสนานีเ้เข้มแ ข, แข็งแล้วไปได้สังคมไทยจะอยู่เอาละครับวันนี้พูดมาจะจบหลายโหนแล้วม่จบสักทีตอนนี้จบแน่ก็ขอโมทนาทุกองค์ นี่ทีนี้ถ้ายังไม่มีอะไรก็กลับพระพร้อมกัน